ต่อไปนี้เป็นบันทึกคติธรรมและธรรมเทศนาของพระราชวุฒาจารย์หรือหลวงปู่ดูลอาตุโลเรื่องหลวงปู่ฝากไว้รวบรวมบันทึกไว้โดยพระโพชินันธรมุนีประวัติของหลวงปู่ดูลอาตุโลโดยสังเขปหลวงปู่ดูลอาตุโลนับเป็นสิทธิอาวุโส ร, รุ่นแรกสุดของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายอรัญญวาสีในยุค ป, ปัจจุบัน พระเถระที่เป็นสหธรรมิกและมีอายุรุ่นเดียวกันกับหลวงปู่ดูลได้แลก่หลวงปู่สิงห์ขันตยาขโมวัดป่าสารวันนครราชสีมาและหลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกลองเพนจังหวัดอุดรธานีด้วยความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของหลวงปู่ดูลท่านจึงมีศิษย์สำคัญๆคัญหลายองค์ศิษย์รุ่นแรกแร ก, ก็มีหลวงปู่ฟ้านอาจาโรวัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกล น, นคร หลวงปู่อ่อนญาณศิริวัดป่านิคโครทารามจังหวัดอุดรธานีหลวงปู่สามอากินจโนวัดป่าไตรวิเวกจังหวัดสุรินและพระเทพสุธาจารย์หรือหลวงปู่โชตคุณะสัมปันโนวัดวชิราลงกรณ์อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาสำหรับสิทธิอาวุโส ข, ของหลวงปู่ดูลที่ยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันได้แก่พระวิสุทธิธรรมอรังสี หรือหลวงพ่อเปลี่ยนโอภาโสวัดป่าโยธาประสิทธิ์จังหวัดสุรินทร์พระเชนวงสาจารย์วัดกระดึงทองจังหวัดบุรีรัมย์หลวงพ่อสุวัดสุวัโจวัดถ้ำสีแก้วจังหวัดสกลนครและพระโพธินันธรรมุนีวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์เป็นต้นหลวงปู่ดูลอตุโลเป็นพระอริยะเจ้าที่มีคุณธรรมล้าลึกท่านเน้นการปฏิบัติภาวนา มากกว่าการเทศนาสั่งสอนสำหรับพระสงฆ์และญาติโยมที่เข้าไปกราบนมัส ก, การและขอฟังธรรมะหลวงปู่มักจะให้ธรรมะสั้นๆแต่มีความล้ำลึกสูงชั้นเสมอถ้าจะเทศเรื่องจิตเพียงอย่างเดียวโดยจะย้ำให้เราพิจารณาจิตในจิตอยู่เสมอหลวงปู่ดูลัตตุโลเกิดเมื่อปีชวดวันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2431 ที่บ้านปราสาทตำบลเฉียงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ท่านเกิดในตระกูลกเกษมศิลป์เป็นบุตรคนหัวปีในจำนวนพี่น้องทั้งหมดสี่คนเมื่ออายุ22ปีหลวงปู่ได้อุปสมบทที่วัดจุมพลสุทธาวาสอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์โดยมีท่านพระครูวิวมลศรีรพฤษหรือทองเป็นพระอุปชาในพรรษาที่หก หลวงปู่ได้เดินทางด้วยเท้าไปจังหวัดอุบลราชธานีทำนักอยู่ที่วัดสุทัศนารามเพื่อเรียนปริยัติธรรมสอบได้นักธรรมชั้นตรีแล้วเรียนบาลีวายรณ์ต่อถึงแปลมูลกัดายได้หลวงปู่ได้รู้จักชอบพอกับหลวงปู่สิงค์ันตยาขโมซึ่งต่อมาเป็นทุรจักกันดีในนามของแม่ทัพใหญ่แห่งกองทัพธรรมในสายของหลวงปู่มั่นภูริทัตโต ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าทำการเผยแพร่ธรรมะในสายพุทธโธจนแพร่หลายมาปราบเท่าทุกวันนี้ในปีที่สองที่หลวงปู่ไปพำนักอยู่ที่อุบลราชธานีนั้นหลวงปู่มั่นได้ทิ้ดดงมาพำนักอยู่ที่วัดบุรพาในเมืองอุบลราชธานีหลวงปู่ดูลและหลวงปู่สิงสองสหายผู้คล้ายธรรมได้ไปกราบนมัสการและฟังธรรมของพระอาจารย์ใหญ่ เกิดความอัศจรรย์ใจและศรัท ธ, ธาเป็นที่ยิ่งจึงตัดสินใจเลิกละการเรียนด้านปริยัติธรรมแล้วออกทุดงตามหลวงปู่มั่นต่อไปนับเป็นสิทธิหลวงปู่มั่นในสมัยแรกและได้ร่วมเดินทุดงตามหลวงปู่มั่นไปในที่ต่างๆอยู่นานปีหลวงปู่ดูลเที่ยวทุดงหาความวิเวกตามป่าเขานานถึง19ปีจึงได้รับคําสั่งจากผู้บัญชาการคณะสงฆ์ ให้หลวงปู่เดินทางไปประจำอยู่จังหวัดสุรินทร์เพื่อจัดการศึกษาด้านปริยัติธรรมและเผยแพร่ข้อปฏิบัติทางกรรมฐานไปด้วยกันหลวงปู่จึงได้ไปพำนักอยู่ประจำที่ที่วัดบุรพารามอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์มาตั้งแต่พุทธศักราช2477จบจนบ้านปลายชีวิตของท่านนับตั้งแต่บัดนั้นมาแสงแห่งรัศมีของพระธรรม ทั้งทางปริยัตยและทางปฏิบัติก็เริ่มฉายแสงรุ่งเรืองตลอดมาโดยหลวงปู่รับภาระทั้งฝ่ายคันธุระและวิปัสนาธุระบริหารงานพระาศาสนาอย่างเต็มกำลังสามารถในปฏิปทาส่วนตัวของท่านนั้นไม่เคยละทิ้งกิจธุงดงบำเพ็ญเพียรทางใจอย่างสม่ำเสมอตลอดมาพร้อมทัออกอบรมทางสมาธิภาวนาแก่ผู้สนใจปฏิบัติ ทั้งเครัดและบรรพชิตด้วยเหตุที่หลวงปู่มีเมตตาธรรมสูงจึงช่วยสงเคราะห์ บ, บุคคลทั่วไปได้อย่างกว้างขวางโดยไม่เลือกชั้นวรณนะหลวงปู่มีสุขภาพอนามาัมดีเป็นเยี่ยมแข็งแรงว่องไวผิวพรรณผ่องใสมีเมตตาเป็นอารมณ์สงบเสงี่ยมเยือกเย็นทำให้ผู้ใกล้ชิดและผู้ได้กราบไหว้เกิดความเคารพเลื่อมใสศรัทธาอย่างสนิทใจ หลวงปู่ดูลอัอตุโลพระอริยะเจ้าผู้ประเสริฐได้ละเสียซึ่งสังขารเมื่อวันที่สามสิบตุลาคมพุทธศักราช 2,526 รสิริรวมอายุได้96ปีกับ26วันพระาหารหัตธาตุของท่านได้เก็บรักษาไว้ให้สาุชนตะสการะที่พิพิธภัณฑ์กรรมฐานในบริเวณวัดวรภารามอํเาเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ส่วนคาสอนของหลวงปู่ ซึ่งเป็นคำสอนสั้นๆและเฉียบคมล้ำลึกนั้นท่านเจ้าคุณพระโพธินันทามุนีได้รวบรวมและพิมพ์ไว้ในหนังสือหลวงปู่ฝากไว้เล่มนี้นับเป็นหนังสือที่มีคุณค่าแก่นักปฏิบัติธรรมและผู้สนใจทั่วไปหลวงปู่เน้นเรื่องการปฏิบัติภาวนาให้พิจารณาจิตในจิตจนรู้แจ้งท่านเทศนาแต่เพียงสั้นๆแต่เฉียบคมท่านสอนว่า หลักธรรมที่แท้จริงคือจิตจิตของเราทุกคนนั่นแหละคือหลักธรรมสูงสุดที่อยู่ในจิตใจเรานอกจากนั้นแล้วมันไม่มีหลักธรรมใดๆเลยขอให้เลิกละการคิดและการอธิบายเสียให้หมดสิน้นจิตในจิตก็จะเหลือแต่ความบริสุทธิ์ซึ่งมีประจำอยู่แล้วในทุกคนเรื่องธรรมะปฏิสันฐานเมื่อวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2522หรอ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้ยวยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏเสด็จเยี่ยมหลวงปู่เป็นการส่วนพระองค์เมื่อทั้งสองพระองค์ทรงถาม ถ, ามถึงสุขภาพอนามัยและการอยู่สําราณแห่งอริยาบทของหลวงปู่ตลอดถึงทรงสนทนาธรรมกับหลวงปู่แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปุถุชาว่าหลวงปู่การละ ก, กิเลสนั้นควรละ ก, กิเลสอะไรก่อน หลวงปู่ถวายวิสัชนาว่ากิเลสทั้งหมดเกิดรวมอยู่ที่จิตให้เพ่งมองดูที่จิตอันไหนเกิดก่อนให้ละอันนั้นก่อนหลวงปู่ไม่ฝืนสังขารทุกครั้งที่ล้นเกล้าทั้งสองพระองค์สเสด็จเยี่ยมหลวงปู่หลังจากเสร็จพระราชกรณียกิจในการเยี่ยมแล้วเมื่อจ ะ, สะเสด็จกลับทรงนีพระดํารัสคําสุดท้ายว่าขอรัตนาหลวงปู่ ให้ดํารงขันอยู่เกินร้อยปีเพื่อเป็นที่เคารพนับถือของปวงชนทั่วไปหลวงปู่รับได้ไหมทั้งๆที่พระราชดำรัสนี้เป็นสัมมาวจีกรรมทรงประทานพรแก่หลวงปู่โดยพระราชอัธยาศัยหลวงปู่ก็ไม่กล้ารับและไม่อาจฝืนสังขารจึงถวายพระพรว่าอาตมาภาพรับไม่ได้หรอกแล้วแต่สังขารเขาจะเป็นไปของเขาเอง ปราลบธรรมะเรื่องอริยสัจสีพระเถระฝ่ายกรรมฐานเข้าถวายสการะหลวงปู่ในวันเข้าพรรษาปีพุทธศักราช2499หลังฟังโอวาทและข้อธรรมะอึกซึ่งข้ออื่นๆแล้วหลวงปู่สรุปใจความอริยสัจสีให้ฟังว่าจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุ ท, ทยัยผลอันเกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์ จิตเห็นจิตเป็นมรรคผลอันเกิดจากจิตเห็นจิตเป็นนิโรธสิ่งที่อยู่เหนือคำพูดอุบาสกผู้คงแก่เรียนคนหนึ่งสนทนากับหลวงปู่ว่ากระผมเชื่อว่าแม้ในปัจจุบันพระผู้ปฏิบัติถึงขั้นได้บรรลุมรรคนิพพานก็คงมีอยู่ไม่น้อยเหตุใดท่านเหล่านั้นจึงไม่แสดงตนให้ปรากฏเพื่อให้ผู้สนใจปฏิบัติทราบว่า ท่านได้บรรลุถึงคุณธรรมนั้นๆแล้วเขาจะได้มีกําลังใจและมีความหวังเพื่อเป็นพลังเร่งความเพียรในทางปฏิบัติให้เต็มที่หลวงปู่กล่าวว่าผู้ที่เขาตรัสรู้แล้วเขาไม่พูดว่าเขารู้แล้วซึ่งอะไรเพราะสิ่งนั้นมันอยู่เหนือคําพูดทั้งหมดหลวงปู่เตือนพระผู้ประมาทภิกษุผู้อยู่ด้วยความประมาทคอยนับจํานวนศีลของตนแต่ในตํารา คือมีความพอใจภูมิใจกับจำนวนศีลที่มีอยู่ในคำพีว่าตนนั้นมีศีลถึง227ส่วนที่ตั้งใจปฏิบัติให้ได้นั้นจะมีสักกี่ข้อจริงแต่ไม่จริงผู้ปฏิบัติกรรมฐานทำสมาธิภาวนาเมื่อปรากฏผลออกมาในแบบต่างๆย่อมเกิดความสงสัยขึ้นเป็นธรรมดาเช่นเห็นนิมิตในรูปแบบที่ไม่ตรงกันบ้าง ปรากฏในอวัยวะร่างกายของตนเองบ้างส่วนมากมากราบเรียนหลวงปู่เพื่อให้ช่วยแก้ไขหรือแนะายปฏิบัติต่ตอไปอีกมีจังนวนมากที่ถามว่าภาวนาแล้วก็เห็นนรกสวรรค์นิมานเทวดาหรือไม่ก็เป็นองค์พุทธรูปปรากฏอยู่ในตัวเราสิ่งที่เห็นเหล่านี้เป็นจริงหรือหลวงปู่บอกว่าที่เห็นนั้นเขาเห็นจริง แต่สิ่งที่ถูกเห็นไม่จริงณนะวิธีละนิมิตมีผู้ถามหลวงปู่ต่อมาอีกว่านิมิต ท, ทั้งหลายแหละหลวงปู่บอกว่ายังเป็นของภายนอกทั้งหมดจเจ้ามาทำอะไรยังไม่ได้ถ้าติดอยู่ในนิมิตนั้นก็ยังอยู่แค่นั้นไม่ก้าวต่อไปอีกจะเป็นด้วยเหตุที่กระพมอยู่ในนิมิตนี้มานานหรืออย่างไรจึงหลีกไม่พ้นนั่งภาวนาชีไร พอจิตจะรวมสงบก็เข้าถึงภาวะนั้นทันทีหลวงปู่โปรดได้แนะวิธีละนิมิตด้วยว่าทำอย่างไรจึงจะได้ผลหลวงปู่พูดว่าเออนิมิตบางอย่างมันก็สนุกดีน่าเพลิดเพลินอยู่หรอกแต่ถ้าติดอยู่แค่นั้นมันก็เสียเวลาเปล่าวิธีละได้ง่ายๆก็คืออย่าไปดูสิ่งที่ถูกเห็นเหล่านั้นให้ดูผู้เห็น แล้วสิ่งที่ไม่อยากเห็นนั้นก็จะหายไปเองเป็นของภายนอกเมื่อวันที่สิบธันวาคมพุทธศักราช2524ห้ลวงปู่อยู่ในงานประจำปีวัดธรรมมงคลสุขุมวิทกรุงเทพมีแม่ชีพราหมณ์หลายคนจากวิทยาลัยครูพากันเข้าไปถามทำนองรายงานผลของการปฏิบัติวิปัสนาให้หลวงปู่ฟังว่าเขานั่งวิปัสนา จิตสงบแล้วเห็นองค์พระพุทธรูปอยู่ในหัวใจของเขาบางคนว่าได้เห็นสวรรค์เห็นมิมาณของตัวเองบ้างบางคนว่าเห็นพระจุรามณีเจดียสถานบ้างพร้อมทั้งภูมิใจว่าเขาวาสนาดีทำวิปัสสนาได้สำเร็จหลวงปู่อธิบายว่าสิ่งที่ปรากฏเห็นทั้งหมดนั้นยังเป็นของภายนอกทั้งสิ้น จะนำเอามาเป็นสาระที่พึ่งอะไรยังไม่ได้หรอกเรื่องหยุดเพื่อรู้เมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2507มีพระสงฆ์หลายรูปทั้งฝ่ายปริยัตและฝ่ายปฏิบัติได้เข้ากราบหลวงปู่เพื่อรับโอวาทและรับฟังการแนะแนวทางธรรมะที่จะพากันออกเผยแผ่ธรรมทูตครั้งแรกหลวงปู่แนะวิธีอธิบายธรรมะขั้นปรมาติ ทั้งเพื่อสอนผู้อื่นและเพื่อปฏิบัติตนเองให้เข้าถึงสัจธรรมนั้นด้วยลงท้ายหลวงปู่ได้กล่าวปรัชญาธรรมไว้ให้คิดด้วยว่าคิดเท่าไรเท่าไรก็ไม่รู้ต่อเมื่ออยู่คิดได้จึงรู้แต่ต้องอาศัยความคิดนั่นแหละจึงรู้เรื่องทั้งส่งเสริมทั้งทำลายการครั้งนั้นหลวงปู่ได้ให้โอวา่าเตือนพระธรรมทวครั้งแรก มีใจความตอนหนึ่งว่าท่านทั้งหลายการที่จะออกจาริกไปเพื่อเผยแผ่ประกาศพระาศาสนานั้นเป็นได้ทั้งส่งเสริมพระาศาสนาและทำลายพระาศาสนาที่ว่าเช่นนี้ท่าน อ, องค์ธรรมทูตนั่นแหละตัวสำคัญคือเมื่อไปแล้วประพฤติตัวเหมาะสมมีสมณะสัญญาจริยาวัดงดงามตามสมณะวิสัยผู้ที่ได้พบเห็น หากยังไม่เลื่อมใสก็จะเกิดความเลื่อมใสขึ้นส่วนผู้ที่เลื่อมใสแล้วก็ยิ่งเพิ่มความเลื่อมใสมากขึ้นเข้าไปอีกส่วนองค์ที่มีความประพฤติและวางตัวตรงกันข้ามนี้ย่อมทำลายผู้ที่เลื่อมใสแล้วให้ถอยศรัทธาลงสําหรับผู้ที่ยังไม่เลื่อมใสเลยก็ยิ่งถอยห่างออกไปอีกจึงขอให้ทุกท่านจงเป็นผู้พร้อมไปด้วยความรู้และความประพฤติไม่ประมาทสอนเขาอย่างไร ตนเองต้องทำอย่างนั้นให้ได้เป็นตัวอย่างด้วยเรื่องเมื่อถึงปรมาติแล้วไม่ต้องการก่อนเข้าพรรษาปีพุทธศักราช2496หลวงพ่อเถาะซึ่งเป็นญาติของหลวงปู่และบวชเมื่อวัยชราแล้วได้ออกทุดงติดตามท่านอาจารย์เทตท่านอาจารย์สามไปอยู่จังหวัดพังงาหลายปีกลับมาเยี่ยมนมัส ก, การหลวงปู่ เพื่อศึกษาข้อปฏิบัติทางกรรมฐานต่อไปอีกจนเป็นที่พอใจแล้วหลวงพ่อเถาะพูดตามภาษาความคุ้นเคยว่าหลวงปู่สร้างโบสถ์สลาได้ใหญ่โตวสวยงามอย่างนี้คงจะได้บุญได้กุศลอย่างใหญ่โตทีเดียวหลวงปู่กล่าวว่าที่เราสร้างนี่ก็สร้างเพื่อประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์สําหรับโลกสําหรับวัดว า, าศาสนาเท่านั้นแหละถ้าพูดถึงเอาบุญ เราจะมาเอาบุญอะไรอย่างนี้เรื่องเป็นการดัดนิสัยหรือเปล่าเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองผ่านพ้นไปแล้วเป็นเวลาหกปีผลได้ที่สงครามฝากไว้ให้ก็คือความยากจนข้นแค้นแสนเข็นด้วยขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคได้แผ่ปกคลุมไปแล้วทุกห ย, ย่อมหญ้าโดยเฉพาะเครื่องนุ่งหม่มขาดแคลนอย่างยิ่งพระเนรในวัดต่างๆ มีสบงจีวานชุดเดียวกบุญนักหนาแล้วพวกเราเป็นสัมมเนีนอยู่กับหลวงปู่หลายรูปวันหนึ่งสัมเนีนพรมซึ่งเป็นหลานหลวงปู่รูปหนึ่งด้วยเขาเห็นสัมมเนีนชุมพลโฮมจีวานใหม่และสวยจึงถามว่าจีวร น, นี้ท่านได้จากไหนมาเนนชุมพลตอบว่าเราเข้าไปทําวาระถวายหลวงปู่หลวงปู่เห็นของเราขาดท่านจึงประทานให้มาผืนหนึ่ง เมื่อถึงวาระเนียนพรมจึงหมจีวอนขาดไปนวดเท้าลุงปู่ด้วยคิดว่าจะได้อย่างเขาบ้างพอเสร็จวาระกำลังจะออกมาลุงปู่เห็นจีวอนขาดคงจะสงสารหลานอย่างจับใจจึงลุกไปเปิดตู้หยิบเอาของมายื่นให้พร้อมกับสั่งว่านี่เอาไปเย็บให้ดีอย่าหมทั้งที่ขาดอย่างนี้ สัมเนียนพรมต้องจำใจรับได้กับเข็มจากหลวงปู่อย่างรวดเร็วด้วยความผิดหวังเรื่องทุกข์เพราะอะไรสุภาพสตรีวัยเลยกลางคนผู้หนึ่งเข้าน้ำมส ก, การหลวงปู่พนานาถึงฐานะของตนว่าอยู่ในฐานะที่ดีไม่เคยขาดแคลนสิ่งใดเลยมาเสียใจกับลูกชายที่สอนไม่ได้ไม่อยู่ในระเบียบแบบแผนที่ดี ตกอยู่ภายใต้อำนาจอบายยมุกทุกอย่างทำลายทรัพสมบัติและจิตใจของพ่อแม่จนเหลือที่จะทนได้ขอความกรุณาหลวงปู่ให้ช่วยแนอุบายบรรเทาทุกข์และแก้ไขให้ลูกชายพ้นจากอบายงมุกนั้นด้วยหลวงปู่ก็แนะนําสั่งสอนไปตามเรื่องราวนั้นๆตลอดถึงแนบายทําใจให้สงบรู้จักปล่อยวางให้เป็นเมื่อสุภาพสตรีนั้นกลับไปแล้ว หลวงปู่ปรารบธรรมะให้ฟังว่าคนสมัยนี้เขาเป็นทุกข์เพราะความคิดเรื่องอุทานธรรมหลวงปู่ยังกล่าวธรรมกถาต่อมาอีกว่าสมบัติพระสถานทั้งหลายมันมีประจำอยู่ในโลกนี้มาแล้วอย่างสมบูรณ์ผู้ที่ขาดปัญญาและไร้ความสามารถก็ไม่อาจจะสแสวงหาเพื่อยึดครองสมบัติเหล่านั้นได้ ย่อมคลองตนอยู่ด้วยความฝืดเคืองและลำบากขันส่วนผู้ที่มีปัญญามีความสามารถย่อมแสวงหายึดสมบัติของโลกไว้ได้อย่างมากมายอำนวยความสะดวกสบายแก่ตนได้ทุกกรณีส่วนพระริยะเจ้าทั้งหลายท่านพยายามดำเนินตนเพื่อออกจากสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดไปสู่ภาวะแห่งความไม่มีอะไรเลยเพราะว่าในทางโลกมีสิ่งที่มี ส่วนในทางธรรมมีสิ่งที่ไม่มีอุทานธรรมต่อมาเมื่อแยกพันธะแห่งความเกี่ยวเนื่องจิตกับสรรพสิ่งทั้งปวงได้แล้วจิตก็หมดพันธะกับเรื่องโศกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจะดีหรือเลวมันขึ้นอยู่กับจิตที่ออกไปปรุงแต่งทั้งนั้นแล้วจิตที่ขาดปัญญาย่อมเข้าใจผิดเมื่อเข้าใจผิด ก็หลงอยู่ภายใต้อำนาจของเครื่องร้อยรัดทั้งหลายทั้งทางกายและทางใจอันโทษทันทางกายอาจมีคนอื่นช่วยปลดปล่อยได้บ้างส่วนโทษทางใจมีกิเลสตัณหาเป็นเครื่องรืองรัดไว้นั้นต้องรู้จักปลดปล่อยตนด้วยตนเองพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านพ้นแล้วจากโทษทั้งสองทางความทุกข์จึงครอบงาไม่ได้อุทานทำข้อต่อมา เมื่อบุคคลปรงผมหนวดคราออกหมดแล้วและได้ครองผ้ากาสาวะพัดเรียบร้อยแล้วก็นับว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นภิกษุได้แต่ยังเป็นได้แต่เพียงภายนอกเท่านั้นต่อเมื่อเขาสามารถปรงงิ่งที่รกรุงรังทางใจอันได้แก่อารมณ์ตกต่ำทางใจได้แล้วก็ชื่อว่าเป็นภิกษุในภายในได้ศีรษะที่ปรงผมหมดแล้วสัตว์เลื้อยคลานเล็กน้อยเช่นเหา ย่อมอาศัยอยู่ไม่ได้ฉันใดจิตที่พ้นจากอารมณ์ขาดจากการปรุงแต่งแล้วทุกข์ก็อ า, าศัยอยู่ไม่ได้ฉันนั้นผู้มีปกติเป็นอยู่อย่างนี้ควรเรียกเอาว่าเป็นภิกษุแท้พุทโธเป็นอย่างไรหลวงปู่ได้รับนิมนต์ไปโปรดญาติโยมที่กรุงเทพเมื่อ31มีนาคมพุทธศักราช2521ในช่วงสนทนาธรรมญาติโยมสงสัยว่า พุดโทรเป็นอย่างไรหลวงปู่ได้เมตตาตอบว่าเวลาภาวนาอย่าทรงจิตออกนอกความรู้อะไรทั้งหลายทั้งปวงอย่าไปยึดความรู้ที่เราเรียนกับตำรับตำราหรือจากครูบาอาจารย์อย่าเอามายุ่งเลยให้ตัดอารมณ์ออกให้หมดแล้วก็เวลาภาวนาไปให้มันรู้รู้จากจิตของเรานั่นแหละจิตของเราสงบเราจะรู้เองต้องภาวนาให้มากๆเข้า เวลามันจะเป็นจะเป็นของมันเองความรู้อะไรอะไรให้มันออกจากจิตของเราความรู้ที่ออกจากจิตที่สงบนั่นแหละเป็นความรู้ที่ลึกซึ้งถึงที่สุดให้มันรู้ออกจากจิตเองนั่นแหละมันดีคือจิตมันสงบทำจิตให้เกิดอารมณ์อันเดียวอย่าทรงจิตออกนอกให้จิตอยู่ในจิตแล้วให้จิตภาวนาเอาเองให้จิตเป็นผู้บริกรรพุทโธพุทโธอยู่นั่นแหละ แล้วพุทธโทนั่นแหละจะผุดขึ้นในจิตของเราเราจะได้รู้จักว่าพุทโทนั้นเป็นอย่างไรเรารู้เองเท่านั้นแหละไม่มีอะไรมากมายเรื่องอยากได้ของดีเมื่อต้นเดือนกันยายนพุทธศักราช2526คณะแม่บ้านมหาไทยโดยมีคุณหญิงจูบจิรโรธเป็นหัวหน้าคณะได้นำคณะแม่บ้านมหาไทย ไปบำเพ็ญสังคมสงเคราะห์ทางภาคอีสานได้ถือโอกาสแวะน้ำมาส ก, การหลวงปู่เมื่อเวลา18นาฬกา20นาทีหลังจากกราบน้ำมาส ก, การและถามถึงอาการสุขสบายของหลวงปู่ได้รับวัตถุมงคลเป็นที่ระลึกจากหลวงปู่แล้วเห็นว่าหลวงปู่ไม่ค่อยสบายก็รีบออกมาแต่ก็ยังมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งถือโอกาสพิเศษกราบหลวงปู่ว่า ดิฉันขอของดีจากหลวงปู่ด้วยเถิดเจ้าค่ะหลวงปู่ยิงเจริญพรว่าของดีก็ต้องภาวนาเอาจึงจะได้เมื่อภาวนาแล้วใจก็สงบกายวาจาก็สงบแล้วกายก็ดีวาจาใจก็ดีเราก็อยู่ดีมีสุขเท่านั้นเองดิฉันมีภาระมากไม่มีเวลาจะนั่งภาวนางานราชการเดี๋ยวนี้รัดตัวมากเหลือเกิน มีเวลาที่ไหนมาภาวนาได้คะหลวงปู่จึงต้องอธิบายให้ฟังว่าถ้ามีเวลาสำหรับหายใจก็ต้องมีเวลาสำหรับภาวนาเรื่องมีแต่ไม่มีเมื่อปีพุทธศักราช2522หลวงปู่ไปพักผ่อนและเยี่ยมพระอาจารย์สมชายที่วัดเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีขณะเดียวกันก็มีพระเถระอวุโสรูปหนึ่งจากกรุงเทพ คือพระธรรมวราลังการวัดบุพารารเจ้าคณะภาคทางภาคใต้ไปอยู่ฝึกกรรมฐานเมื่อวัยชราแล้วพ่อมีอายุอ่อนกว่าหลวงปู่เพียงปีเดียวเมื่อท่านทราบว่าหลวงปู่เป็นพระฝ่ายกรรมฐานอยู่แล้วท่านจึงสนใจและศึกษาถามถึงผลของการปฏิบัติทำนองสนทนาธรรมกันเป็นเวลานานและกล่าวถึงภาระของท่านว่า มัวแต่ศึกษาและบริหารงานการคณะสงฆ์มาตลอดวัยชราแล้วก็สนทนาข้อกรรมฐานกับหลวงปู่เป็นเวลานานลงท้ายถามหลวงปู่สั้นๆว่าท่านยังมีตรวอยู่ไหมหลวงปู่ตอบเร็วว่ามีแต่ไม่เอาเรื่องรู้ให้พร้อมระหว่างที่หลวงปู่อยู่รักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ น, นั้น มีผู้ไปกราบนมัสการและฟังธรรมเป็นจำนวนมากคุณบำรุงศัก์กองสุขเป็นผู้หนึ่งที่สนใจในการปฏิบัติสมาธิภาวนาในว่าเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสนองกะตะพุญโยแห่งวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นวัดปฏิบัติที่แข่งครัดฝ่ายทวดงกรรมฐานในยุค ป, ปัจจุบันได้ปรารบการปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่ถึงเรื่องการละกิเลสว่าหลวงปู่ครับ ทำอย่างไรจรึงจะตัดความโปวดให้ขาดได้ลุงปู่ตอบว่าไม่มีใครตัดขาดได้หรอกมีแต่รู้ทันเมื่อรู้ทันมันก็ดับไปเองเรื่องไม่ตามใจผู้ถามผู้ที่อยู่เฝ้ารักษาพยาบาลลุงปู่ที่โรงพยาบาลจุลาในรอบดึกมีจํานวนหลายท่านด้วยกันเขาเหล่านั้นมีความสงสัยและอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งโดยที่สังเกตเห็นว่า บางวันพอเวลาดึกสงัดตีหนึ่งผ่านไปแล้วได้ยินหลวงปู่อธิบายธรรมะนานประมาณสิบกวนาทีแล้วสวดยะถาให้พรทำเหมือนหนึ่งมีผู้มารับฟังอยู่เฉพาะหน้าเป็นจำนวนมากท่านจะถามประพฤติการที่หลวงปู่ทำเช่นนั้นก็ไม่กล้าถามต่อเมื่อเห็นหลวงปู่ทำเช่นนั้นหลายครั้งก็ทนสงสัยต่อไปไม่ได้จึงพากันถามหลวงปู่ตามลักษณะการนั้น หลวงปู่จึงบอกว่าความสงสัยและคําถามเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นแนวทางปฏิบัติธรรมเรื่องประหยัดคําพูดคณะปฏิบัติธรรมจากจังหวัดบุรีรัมย์หลายท่านมีร้อยตํารวจเอกบุรชัยสุขคนสมัตอายการจังหวัดเป็นหัวหน้ามากราบหลวงปู่เพื่อฟังข้อปฏิบัติธรรมและเรียนถามถึงวิธีปฏิบัติยิ่งยิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งส่วนมากก็เคยปฏิบัติกับครูบาอาจารย์แต่ละองค์มาแล้วและแสดงแนวทางปฏิบัติไม่ค่อยจะตรงกันเป็นเหตุให้เกิดความสงสัยยิ่งขึ้นจึงขอกราบเรียนลุงปู่โปรดช่วยแนะแนาวาปฏิบัติที่ถูกต้องและทำได้ง่ายที่สุดเพราะหาเวลาปฏิบัติทำได้ยากหากได้วิธีที่ง่ายๆแล้วก็จะเป็นการถูกต้องอย่างยิ่งลุงปู่บอกว่าให้ดูจิตที่จิตเรื่องง่าย แต่ทำได้ยากคณะของคุณดวงพรทารีชัดจากสถานีวิทยุฐานอากาศศูนบางซื่อนำโดยคุณอาคมทันนิเทศเดินทางไปถวายพระปา่าและกราบน้ำมัส ก, การครูบาอาจารย์ตามสำนักต่างๆทางภาคอีสานได้แวะกราบน้ำมัส ก, การหลวงปู่หลังจากถวายพระปา่าถวายจตุปัจจัยธยาทานเดียวหลวงปู่ ได้รับประถูกองคนเป็นที่ระลึกจากท่านแล้วต่างคนต่างก็ออกไปตลาดบ้างพักผ่อนตามอัธยาศาัยบ้างมีอยู่กลุ่มหนึ่งประมาณสีห้าคนเข้าไปกราบขอให้หลวงปู่แนะนำวิธีปฏิบัติง่ายๆเพื่อแก้ไขความทุกข์ความกุ่มใจซึ่งมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำว่าควรปฏิบัติอย่างไรจึงได้ผลเร็วที่สุดหลวงปู่บอกว่ายาทรงจิตออกนอก เรื่องทิ้งเสียสุภาพสตรีท่านหนึ่งเป็นชนชั้นครูบาอาจารย์เมื่อฟังธรรมปฏิบัติจากหลวงปู่จบแล้วก็ อ, อยากทราบถึงวิธีไว้ทุกข์ที่ถูกต้องตามธรรมเนียมเขาจึงพูดปรารพต่อไปอีกว่าคนสมัยนี้ไว้ทุกข์ไม่ค่อยจะถูกต้องและตรงกันทั้งทั้งที่สมัยรัชกาลที่หกท่านทาไว้เป็นแบบอย่างดีอยู่แล้วเช่นเมื่อมีญาติพี่น้องหรือญาติผู้ใหญ่ถึงแก่กรรมลง ก็ให้ไว้ทุกเจ็วันบ้างห้าสิบวันบ้างร้อยวันบ้างแต่ปรากฏว่าคนทุกวันนี้ทําอะไรรู้สึกว่าลักลั่นกันไม่เป็นระเบียบดิฉันจึงขอเรียนถามหลวงปู่ว่าการไว้ทุกที่ถูกต้องนั้นควรไว้อย่างไรเจ้าคะหลวงปู่บอกว่าทุกต้องกําหนดรู้เมื่อรู้แล้วให้ละเสียไปไว้มันทําไมเรื่องจริงตามความเป็นจริง สุภาพสตรีชาวจีนคนหนึ่งถาวายสักการะแด่หลวงปู่แล้วเขากราบเรียนว่าดิฉันจะต้องไปอยู่ที่อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อทำมาค้าขายอยู่ใกล้ญาติทังโ น, น้นทีนี้บรรดา ญ, ญาติญาติก่อเสนอแนะว่าควรจะขายของชนิดนั้นบ้างชนิดนี้บ้างตามแต่เขาจะเห็นดีว่าอะไรขายได้ดีดิฉันยังมีความลังเลใจตัดสินเอาเองไม่ได้ว่าจะเลือกขายของอะไร จึงให้หลวงปู่ช่วยแนะนำด้วยว่าจะให้ทิฉันขายอะไรริงจะดีเจ้าค่ะขายอะไรก็ดีทท่านั้นแหละถ้ามีคนซื้อเรื่องไม่ได้ตั้งจุดหมายไว้เมื่อวันที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2522คณะนายทหารประมาณสิบกว่านายเข้านมัสการหลวงปู่เมื่อเวลาค่ำแล้วก็จะเดินทางต่อเข้ากรุงเทพในคณะของนายทหารเหล่านั้นมียศพลโทรสองท่าน หลังจากสนทนากับหลวงปู่เป็นเวลาพอสมควรแล้วก็ถอดเอาพระเครื่องจากคอของแต่ละท่านรวมใส่ในพานถวายให้หลวงปู่ช่วยที่ฐานแผ่เมตตาพลังจิตให้ท่านก็นุรมตามความประสงค์แล้วก็มอบให้คืนไปนายพลท่านหนึ่งถามว่าทราบว่ามีเหรียญหลวงปู่ออกมาหลายรุ่นแล้วอยากถามหลวงปู่ว่ามีรุ่นไหนดังบ้างหลวงปู่บอกว่าไม่มีดัง เรื่องคนละเรื่องมีชายหนุ่มจากต่างจังหวัดไกลสามสี่คนเข้าไปหาลุงปู่ขณะที่ท่านนั่งพักผ่อนอยู่ที่มุกสาลาการประเรียนดูอากับกิริยาของเขาแล้วคงคุ้นเคยกับพระนักเรียนองค์ใดองค์หนึ่งมาก่อนแล้วสังเกตจากการนั่งการพูดเขานั่งตามสบายพูดตามถนัดยิ่งกว่านั้นก็คงเข้าใจว่า หลวงปู่นี้คงสนใจกับเรื่องเครื่องรางของขลังอย่างดีเขาพูดถึงเกจิอาจารย์อื่นๆว่าให้ของดีของวิเศษแก่ตนหลายอย่างในที่สุดก็งัดเอาของมาอวดกันเองต่อหน้าหลวงปู่คนหนึ่งมีเขี้ยวหมูตันคนหนึ่งมีเขี้ยวเสืออีกคนมีนอแรดต่างคนต่างอวดอ้างว่าของตนดีวิเศษอย่างนั้นอย่างนี้มีคนหนึ่งเอ่ยว่าหลวงปู่ฮะอย่างไหนแน่ดีวิเศษกว่ากันฮะ หลวงปู่ก็อารมณ์เรื่นเป็นพิเศษยิ้มยิ้มแล้วว่าไม่มีดีไม่มีพิเศษอะไรหรอกเป็นของสัตว์เดรัจฉานเหมือนกันเรื่องปลราลรบรรมาให้ฟังคราวหนึ่งหลวงปู่กล่าวปลารบพระธรรมให้ฟังว่าเราเคยตั้งสัจจะอ่านพระไตรปิฎกจนจบในบรรษาที่2495เพื่อสํารวจดูว่าจุดจบของพระพุทธศาสนาอยู่ตรงไหน ในที่สุดแห่งศาสนาธรรมหรือที่สุดของทุกนั้นอยู่ตรงไหนพระพุทธองค์ทรงกล่าวสรุปไว้อย่างไรครั้นอ่านไปตรีตองไปจนกระทั่งจบก็ไม่เห็นตรงไหนที่มีสัมผัสอันลึกซึ้งถึงจิตของเราให้ตัดสินได้ว่านี่คือที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ที่สุดแห่งมรรคผลหรือที่เรียกว่านิพพานมีอยู่ตอนหนึ่งคือครั้งนั้นพระษารีบุตรออกจากนิโรธสมาบัตใหม่ๆ พระพุทธเจ้าตรัสถามเชิงสนทนาธรรมว่าสารีบุตรสีผิวของเธอผ่องใส ย, ยิ่งนักวันณะของเธอหมดจดผุดผ่องยิ่งนักอะไรเป็นวิหารธรรมของเธอภาษาสารีบุตรกราบทูลว่าความว่างเปล่าเป็นวิหารธรรมของข้าพระองค์หมายถึงสุญญตาก็เห็นมีอยู่เพียงแค่นี้แหละที่มาสัมผัสจิตของเราเรื่องแนะนําตามวิทยาฐานะ พระอาจารย์สุจินสุจินโนจบนิติศาสตร์จากธรรมศาสตร์นานแล้วมีความเลื่อมใสในทางปฏิบัติธรรมเคยไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลุยเป็นเวลาหลายปีต่อมาเมื่อได้ยินกิิศัพท์หลวงปู่ดูลจึงลาหลวงปู่หลุยมาปฏิบัติกับหลวงปู่ตลอดถึงขอบรรพชาอุปสมบทอยู่ตลอดมาอยู่กับหลวงปู่พอสมควรแก่ความต้องการแล้ว จึงกราบลาเพื่อเดินทางทุดงวิเวกต่อไปหลวงปู่แนะนำว่าส่วนเรื่องของพระวินัยนั้นให้ศึกษาอ่านตำรับตำราให้เข้าใจให้ถูกต้องทุกข้อมูลเพื่อปฏิบัติไม่ให้ผิดส่วนธรรมะนั้นถ้าอ่านมากก็จะมีวิตกวิจารมากจึงไม่ต้องอ่านก็ได้ขอให้ตั้งใจปฏิบัติเอาเพียงอย่างเดียวก็พอเรื่องแนะนาหลวงตาแนนหลวงตาแนน บวชเมื่อวัยเลยกลางคนไปแล้วหนังสือก็อ่านไม่ออกสักตัวภาษากลางก็พูดไม่ได้สักคําดีอย่างเดียวคือเป็นคนตั้งใจดีขยันปฏิบัติกิจวัตรไม่ขาดตกบกพร่องว่าง่ายสอนง่ายเมื่อเห็นพระรูปอื่นเข้าออกไปทุดดงหรืออยู่กับสํานักปฏิบัติกับครูบาอาจารย์อื่นๆก็อยากจะไปกับเขาด้วยจึงไปลาหลวงปู่เมื่อลุงปู่อนุญาตแล้ว หลวงตาแนนกลับพิตกว่ากระผมไม่รู้หนังสือไม่รู้ภาษาพูดเขาจะปฏิบัติกับเขาได้อย่างไรหลวงปู่แนะนําว่าการปฏิบัติไม่ได้เกี่ยวกับอัครพยัญชนะหรือคําพูดอะไรหรอกที่รู้ว่าตนไม่รู้ก็ดีแล้ววิธีปฏิบัตินั้นส่วนวินยัยให้พยายามดูแบบอย่างเขาแบบอย่างครูบาอาจารย์ผู้นําอย่าทําให้ผิดแผกจากท่านส่วนธรรมะ ให้ดูที่จิตของตัวเองปฏิบัติที่จิตเมื่อเข้าใจจิตแล้วอย่างอื่นก็เข้าใจได้เองเรื่องภาระและปัญหาประจำการปกครองและการบริหารหมู่คณะใหญ่นอกจากจะต้องแก้ปัญหาเล็กใหญ่อย่างอื่นแล้วก็มีปัญหาขาดแคลนพระเจ้าอาวาสเราเคยได้ยินแต่การแย่งเป็นสมภารกันแต่ลูกศิษย์หลวงปู่นั้นต้องปลอบต้องบังคับให้ไปเป็นสมภาร ไม่เว้นแต่ละปีที่มีญาติโยมยกขบวนมาขอให้หลวงปู่ส่งพระไปเป็นเจ้าอาวาสเมื่อลุงปู่เห็นว่าองค์ไหนสมควรไปก็ขอร้องให้ไปส่วนมากเมื่อไม่อยากไปก็มักจะอ้างว่ากระผมก่อสร้างไม่เก่งอบรมไม่เป็นเทศไม่ได้ประชาสัมพันธ์หรับแขกไม่คล่องเป็นต้นจึงยังไม่อยากจะไปหลวงปู่ก็สอนว่า สิ่งเหล่านั้นไม่จําเป็นเท่าไรหรอกเรามีหน้าที่ปฏิบัติกิจวัตรเท่านั้นเองวินทบาทฉันแล้วก็นั่งภาวนาเดินจงกรมทำความสะอาดลานวัดเคร่งครัดตามธรรมวินยัยแค่นี้ก็พอแล้วการก่อสร้างอะไรอะไรมันแล้วแต่ญาติโยมเขาจะทำหรือไม่ทำก็แล้วแต่เขาเรื่องปรารบธรรมะให้ฟังหลวงปู่ สงน้ำวันละหนึ่งครั้งเวลาบ่ายห้าโมงจะเพาะน้ำร้อนที่ผสมให้อุ่นแล้วกระทาอยู่อย่างนี้จนตลอดอายุไขของท่านโดยมีพระเนนผู้อยู่รับใช้ช่วยสงถวายท่านหลังจากเช็ดตัวแห้งดีจิตใจปลอดโปร่งแล้วท่านมักจะปรารบธรรมะให้ฟังแล้วแต่จะมีธรรมะข้อใดปรากฏขึ้นในขณะนั้นเช่นครั้งหนึ่งท่านปรารบว่า ภิกษุเราถ้าปลูกความยินดีในเพศภาวะของตนได้แล้วก็จะมีแต่ความสุขเยือกเย็นถ้าตัวเองอยู่ในเพศภิกษุแต่กลับไปยินดีในเพศอื่นภาวะอื่นความทุกข์ก็จะทับถมอยู่ร่ําไปหยุดกระหายหยุดแสวงหาได้นั่นคือภิกษุภาวะโดยแท้ความเป็นพระนั้นยิ่งจนยิ่งมีความสุขประรบธรรมะให้ฟัง จบพระไตรปิฎกหมดแล้วจำพระธรรมได้มากมายพูดเก่งอธิบายได้อย่างทราบซึ้งมีคนเคารพนับถือมากทําการก่อสร้างวัตถุไว้ได้อย่างมากมายหรือสามารถอธิบายถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างละเอียดแค่ไหนก็ตามถ้ายังประมาทอยู่ก็นับว่ายังไม่ได้รับรสชาติของพระศาสนาแต่ประการใดเลยเพราะสิ่งเหล่านี้ยังเป็นของภายนอกทั้งนั้น เมื่อพูดถึงประโยชน์ก็เป็นประโยชน์ภายนอกคือเป็นไปเพื่อสองเคราะห์สังคมเพื่อสองเคราะห์คนอื่นเพื่อสองเคราะห์อนุชนรุ่นหลังหรือเป็นสัญลักษณ์ของศาสนวัตถุส่วนประโยชน์ของตนที่แท้นานคือความพ้นทุกข์จะพ้นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อรู้จิตหนึ่งเรื่องคิดไม่ถึงสำนักปฏิบัติแห่งหนึ่งซึ่งเป็นสาขาของหลวงปู่นั่นเองอยู่ได้การเฉพาะพระประมาณห้าหรูป อยากจะเคร่งครัดเป็นพิเศษถึงขั้นสมาทานไม่พูดจากันตลอดพรรษาคือไม่ให้มีเสียงเป็นคำพูดออกจากปากใครยกเว้นการสวดมนต์รมวัดหรือสวดปาติโมกขเท่านั้นครั้นออกพรรษาแล้วพากันไปกราบหลวงปู่เล่าถึงการปฏิบัติอย่างเคร่งของพวกตนว่านอกจากปฏิบัติข้อวัดอย่างอื่นแล้วสามารถหยุดพูดได้ตลอดพรรษาอีกด้วยหลวงปู่ฟังแล้วยิ้มหน่อยหนึ่ง พูดว่าดีเหมือนกันเมื่อไม่พูดก็ไม่มีโทษทางวาจาแต่ที่ว่าหยุดพูดได้นั้นเป็นไปไม่ได้หรอกนอกจากภรรยาบุคคลผู้เข้านิโรธสมาบัติชั้นละเอียดดับสัญญาเวทนาเท่านั้นแหละที่ไปพูดได้นอกนั้นพูดทั้งวันทั้งคืนยิ่งพวกที่ตั้งปฏิ ญ, ญาณว่าไม่พูดนั่นแหละยิ่งพูดมากกว่าคนอื่นเพียงต่ไม่ออกเสียงให้คนอื่นได้ยินเท่านั้นเองเรื่อง อย่าตั้งใจไว้ผิดนอกจากหลวงปู่จะนำปรัชญาธรรมที่ออกจากจิตของท่านมาสอนแล้วโดยที่ท่านเคยอ่านพระไตรปิฎกจบมาแล้วตรงไหนที่ท่านเห็นว่าสําคัญและเป็นการเตือนใจในทางปฏิบัติให้ตรงและรัดที่สุดท่านก็จะยกมากล่าวเตือนอยู่เสมอเช่นหลวงปู่ยกพุทธพจน์ตอนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าภิสูุทั้งหลายพรหมจันทร์นี้ เราประพฤติไม่ใช่เพื่อหลอกลวงคนไม่ใช่เพื่อให้คนมานิยมนับถือไม่ใช่เพื่ออ น, นิสงาสารสักการะและสรรเสริญม่ใช่ น, นิสง์เป็นเจ้าลทัทธิหรือแก้ลัทธิอย่างนั้นอย่างนี้ที่แท้พรมอาจารย์นี้เราประพฤติเพื่อสังวระความสมรวมเพื่อปหานะความละเพื่อวิราคะความหายกำหนัดยินดีและเพื่อนิโรธะความดับทุกข์ผู้ปฏิบัติและนักบวช ต้องมุ่งตามแนวทางนี้นอกจากแนวทางนี้แล้วผิดทั้งหมดเรื่องพระพุทธพจน์หลวงปู่ว่าตราบใดที่ยังเป็นผุ้ทุชนอยู่ตราบนั้นย่อมมีทิฐิและเมื่อมีทิฐิแล้วยากที่จะเห็นตรงกันเมื่อเห็นไปตรงกันก็เป็นเหตุให้โต้เถียงวิวาสกันอยู่ร่ําไปสําหรับพริยะเจ้าผู้เข้าถึงธรรมแล้วก็ไม่มีอะไรสำหรับมาโต้ย้างกับใคร ใครจะมีทิฏฐิอย่างไรกร็ปล่อยเป็นเรื่องของเขาไปดังพุทธพจน์ตอนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งใดอันบัณฑิตทั้งหลายในโลกกล่าว ว, ว, ว, วว่ามีอยู่แม้เราตถาคตก็กล่าวสิ่งนั้นว่ามีอยู่สิ่งใดอันบัณฑิตทั้งหลายในโลกกล่าวว่าไม่มีแม้เราตถาคตก็กล่าวสิ่งนั้นว่าไม่มีดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมไม่วิวาสโต้เถียงกับโลก แต่โลกย่อมวีวาดโตเถียงกับเราเรื่องผู้ไม่มีโทษทางวาจาเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์พุทธศักราช2องหลวงปู่กำลังอาพาธหนักพักรักษาอยู่ที่ห้องพระราชทานตึกจงกรณีโรงพยาบาลจุลาลงกรหลวงปู่สามอากินจโนเดินทางไปเยี่ยมหลวงปู่ถึงห้องพยาบาลขณะนั้นหลวงปู่กาลังนอนพักผ่อนอยู่ เมื่อหลวงปู่สามขยับไปนั่งใกล้ชิดแล้วก็ยกมือไหว้หลวงปู่ดูลก็ยกมือรับไหว้และต่างอง์ต่างนั่งเฉย อ, อยู่ตลอดระยะเวลานานเมื่อสมควรแก่เวลาอย่างยิ่งแล้วหลวงปู่สามประนมอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับจำนานจาว่ากระพ้มกลับก่อนหลวงปู่ดูลว่าอือตลอดเวลาเกือบสองชั่วโมงได้ยินเพียงแค่นี้เองเมื่อหลวงปู่สามกลับไปแล้ว อดที่จะถามไม่ได้ว่าหลวงปู่สามอุตส่ามานั่งตั้งนานทำไมหลวงปู่จึงไม่สนทนาพูดอะไรกับท่านบ้างหลวงปู่ตอบว่าธุระมันหมดแล้วจึงไม่จำเป็นที่จะต้องพูดอะไรเรื่องขันติบารมีเท่าที่อยู่ใกล้ชิดกับหลวงปู่ตลอดเวลายาวนานไม่เคยเห็นท่านแสดงอากับกิริยาใดๆให้เห็นว่า ท่านอ่ดอัดหรือรําคาญจนทนไม่ได้ถึงต้องบ่นอุบอิบอู้อี้กับกรณีใดๆทั้งสิน้นเช่นไปเป็นประธานในงานสถานที่ใดๆไม่เคยเป็นเจ้ากี้เจ้าการหรือฟื้นหรือให้เขาจัดแจงดัดแปลงใหม่หรือไปในสถานที่ที่เป็นกิจนิมนต์แม้จะต้องนั่งนานหรืออากาศอบอ้าวอย่างไรก็ไม่เคยบน่นเวลาเจ็บไข้ไม่สบาย หรือเวลาพระเอินอาหารมาไม่ตรงต่อเวลาแม้จะหิวกระหายแค่ไหนก็ไม่เคยบน่นหรือสำออยหรือแม้รสชาติอาหารจะจืดจางอย่างไรก็ไม่เคยเรียกหาเครื่องปรุงเพิ่มเติมอะไรเลยตรงกันข้ามถ้าเห็นพระเถระไหนชอบเป็นเจ้ากี้เจ้าการขี้บน่นหรือทำสำออยให้คนอื่นเอาใจเป็นต้นหลวงปู่มักรรบให้ฟังว่าแค่นี้อดทนไม่ได้หรือ ถ้าแค่นี้อดทนไม่ได้จะเอาชนะกิเลสตัณหาได้อย่างไรเรื่องอยู่ก็ให้อยู่เหนือผู้ที่เข้านมัส ก, การหลวงปู่ทุกคนและทุกครั้งมักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแม่หลวงปู่จะมีอายุใกล้ร้อยปีแล้วก็จริงแต่ดูผิวพรรณยังผ่องใสและสุขภาพอนามัยแข็งแรงดีแม้ผู้ที่อยู่ใกล้ชิดท่านตลอดมา ก็ยากที่จะได้เห็นท่านแสดงอาการหมองคล้ำหรืออิดโรยหรือหน้านิ้วคิ้วขมวดออกมาให้เห็นท่านมีปกติสงบเย็นเบิกบานอยู่เสมอมีอาภาษ์น้อยมีอารมณ์ดีไม่ตื่นเต้นตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เผลอคล้อยตามคําสรรเสริญหรือคําตำหนิติเตียนมีอยู่ครั้งหนึ่งท่ามกลางพระเถระฝ่ายวิปัส น, นาสนทาธรรมเรื่องการปฏิบัติกับหลวงปู่ ถึงปกติจิตที่อยู่เหนือความทุกข์โดยลักษณะการอย่างไรหลวงปู่ว่าการไม่กังวลการไม่ยึดถือนั่นแหละคือวิหารธรรมของนักปฏิบัติเรื่องไม่เบียดเบียนแม้ทางวาจาหลวงปู่กล่าววาจาบริสุทธิ์เพราะท่านกล่าวเฉพาะวาจาที่เป็นประโยชน์และไม่ทำให้ตนและผู้อื่นเดือดร้อนเพราะคาพูดของท่านแม้จะมีผู้ใดมาพูด เป็นเหตุที่จะชวนให้ท่านวิาพากษ์วิจารณ์ใครๆให้เขาฟังสักอย่างท่านก็ไม่เคยคล้อยตามหลายครั้งที่มีผู้ถามท่านว่าหลวงปู่ทำไมพระนักพูดนักเผยแผ่ระดับประเทศบางองค์เวลาพูดหรือเทศชอบพูดโจมตีคนอื่นพูดเสียดสีสังคมหรือพูดกระทบกระแทกพระเถระด้วยกันเป็นต้นพระที่พูดในลักษณะนี้จ้างผมก็ไม่นับถือดอก หลวงปู่ว่าก็ท่านมีภูมิรู้ภูมิธรรมอยู่อย่างนั้นท่านก็พูดไปตามความรู้ความถนัดของท่านนั่นแหละการจ้างให้นับถือไม่มีใครเขาจ้างหรอกเมื่อไม่อยากนับถือก็อย่าไปนับถือซิท่านคงไม่ว่าอะไรหรอกเรื่องพระหลอกผีส่วนมากหลวงปู่ชอบแนะนำส่งเสริมพระเนนให้ใส่ใจเรื่องทุดงกรรมาฐานเป็นพิเศษครั้งหนึ่ง พระสานุสิ์มาชุมนุมกันเป็นจำนวนมากทั้งแก่พรรษาและอ่อนพรรษาหลวงปู่ชี้แนวทางว่าให้พากันไปอยู่ป่าหาทางวิเวกหรืออยู่ตามเขาตามถ้ำเพื่อเร่งความเพียรจะได้พ้นจากภาวะตกต่ำทางจิตบ้างยังมีพระรูปหนึ่งพูดออกมาพล้อยๆว่าผมไม่กล้าไปครับเพราะผมกลัวผีหลอกหลวงปูต่ตอบเร็วว่าผีที่ไหนเคยหลอกพระ มีแต่พระนั่นแหละหลอกผีและตั้งกระบวนการหลอกผีเป็นการใหญ่ซะด้วยคิดดูให้ดีนะวัตถุสิ่งของที่ชาวบ้านเข้ามาบริจาคทาบุญนั้นแทบทั้งหมดล้วนทำเพื่ออุทิศส่งไปให้ผีทั้งนั้นผีพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติพี่น้องเขาแล้วพระเราๆประพฤตินตนเหมาะสมแล้วหรือมีคุณธรรมอะไรบ้างที่จะส่งผลให้ถึงผีได้ระวัง ยังไปเป็นพระหลอกผีเรื่องดีเหมือนกันแต่นักปฏิบัติที่ตื่นอาจารย์ตื่นสำนักใหม่ใหม่ในปัจจุบันนี้มีอยู่มากนักนิยมหวยก็ตื่นอาจารย์บอกใบหวยนักนิยมความศักดิ์สิทธิ์ยังมีอยู่ฉันใดนักวิปัสสนาก็ย่อมตื่นอาจารย์วิปัสสนาฉันนั้นดังนั้นกลุ่มชนเหล่านี้จึงมีอยู่ไม่ใช่น้อย เมื่อเขาชอบใจอาจารย์องค์ไหนเขาก็กล่าวยกย่ององนั้นตลอดถึงชักชวนคนอื่นให้ช่วยนับถือหรือเห็นด้วยกับตนยิ่งปัจจุบันนี้มีพระเทศดดังๆมากที่อัดเทปขายเผยแพร่ได้อย่างมากมายมีอุบาสิกานักฟังผู้หนึ่งนำเทปนักเทศดังไปถวายให้หลวงปู่ฟังหลายมว้วนแต่หลวงปู่ไม่ได้ฟังเพราะตั้งแต่ท่านเกิดมา ยังไม่เคยมีวิทยุมีเทปกับเขาเลยแม้แต่ครั้งเดียวหรือสมมติว่ า, ามีท่านก็คงเปิดฟังไม่เป็นต่อมามีผู้เอาเครื่องเทปไปเปิดให้ลุงปู่ฟังจบไปหลายม้วนแล้วถามท่านว่าฟังแล้วเป็นอย่างไรหลุงปู่ว่าดีเหมือนกันจำนวนโวหารสละสลวยน้าฟังทั้งรวยด้วยคำพูดแต่หาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้การฟังแต่ละครั้งนั้น ควรให้ได้อัธรศของปริยัตปฏิบัติปฏิเวทจึงจะเป็นสาระแก่นสารเรื่องนักปฏิบัติลังเลใจปัจจุบันนี้ศาสนิกชนผู้สนใจในการปฏิบัติฝ่ายวิปัสสนามีความงวยงงสงสัยอย่างยิ่งในแนวทางปฏิบัติโดยเฉพาะผู้เริ่มต้นสนใจเนื่องจากคณาจารย์ฝ่ายวิปัสสนาแนะแนวปฏิบัติไม่ตรงกัน ยิ่งกว่านั้นแทนที่จะอธิบายให้เขาเข้าใจโดยความเป็นธรรมก็กลับทาเหมือนไม่อยากจะยอมรับคณาจารย์อื่นสำนักอื่นว่าเป็นการถูกต้องหรือถึงขั้นดูหมิ่นสำนักอื่นไปแล้วก็เคยหนีไม่น้อยดังนั้นเมื่อมีผู้สงสัยทํานองนี้มากได้เรียนถามหลวงปู่อยู่บ่อยจึงได้ยินหลวงปู่อธิบายให้ฟังอยู่เสมอว่าการเริ่มต้นปฏิบัติวิปัสสนาภาวนานั้น จะเริ่มต้นโดยวิธีไหนก็ได้เพราะผลมันเป็นอันเดียวกันอยู่แล้วที่ท่านสอนแนวปฏิบัติไว้หลายแนวนั้นเพราะจริตทุงคนไม่เหมือนกันจึงต้องมีวัตถุสีแสงและคำสำหรับบริกรรมเช่นพุทโธอรหังเป็นต้นเพื่อหาจุดใดจุดหนึ่งให้จิตรวมอยู่ก่อนเมื่อจิตรวมสงบแล้วคาบริกรรมนั้นก็หลุดหายไปเองแล้วก็ถึงรอยเดียวกันรถเดียวกัน คือมีวิมุตเป็นกลนมีปัญญาเป็นยิ่งเรื่องตื่นอาจารย์นักปฏิบัติธรรมสมัยนี้มีสองประเภทประเภทหนึ่งเมื่อได้รับข้อปฏิบัติหรือข้อแนะนำจากอาจารย์พอเข้าใจแนวทางแล้วก็ตั้งใจเพียรพยายามปฏิบัติไปจนสุดความสามารถอีกประเภทหนึ่งทั้งที่มีอาจารย์แนะนาดีแล้วได้ข้อปฏิบัติถูกต้องดีแล้ว แต่ก็ไม่ตั้งใจทำอย่างจริงจังมีความเพียรต่ำขณะเดียวกันก็ชอบเที่ยวแสวงหาอาจารย์ไปในสำนักต่างๆได้ยินว่าสำนักไหนดีก็ไปทุกแห่งซึ่งลักษณะนี้มีอยู่อย่างมากหลวงปู่เคยแนะนำลูกศิษย์ว่าการไปหลายสำนักหลายอาจารย์การปฏิบัติจะไม่ได้ผลเพราะการเดินหลายสำนักนี้คล้ายกับการเริ่มต้นปฏิบัติใหม่ไปเรื่อย เราก็ไม่ได้หลักธรรมที่แน่นอนบางทีก็เกิดความลังเลงวยงงจิตก็ไม่มั่นคงการปฏิบัติก็เสื่อมไม่เจริญคืบหน้าต่อไปเรื่องจับกับวางนักศึกษาธรรมะหรือนักปฏิบัติธรรมะมีสองประเภทประเภทหนึ่งศึกษาปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความทุกข์ทุกอย่างแท้จริงประเภทสองศึกษาปฏิบัติ ก็จะอวดภูมิกันถกเถียงกันไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นใครจำตำราหรืออา้างครูบาอาจารย์ได้มากก็ถือว่าตนเป็นคนสำคัญบางทีเข้าหาหลวงปู่แทนที่จะถามธรรมะข้อปฏิบัติจากท่านก็กลับพ่นความรู้ความจำของตนให้ท่านฟังอย่างวิจิตพิสดารก็เคยมีไม่น้อยแต่สำหรับหลวงปู่นั้นทนฟังได้เสมอเมื่อเขาจบลงแล้ว ยังช่วยต่อให้หน่อยหนึ่งว่าผู้ใดล้มไหลในตาราและอาจารย์ผู้นั้นไม่อาจพ้นทุกข์ได้แต่ผู้ที่จะพ้นทุกข์ได้ต้องอาศัยตําราและอาจารย์เหมือนกันเรื่องหลักธรรมแท้มีอยู่อย่างหนึ่งที่ผู้ปฏิบัติชอบพูดถึงคือชอบโจยขานกันว่านั่งภาวนาแล้วเห็นอะไรบ้างปรากฏอะไรมาบ้างหรือไม่ก็ว่า ตนนั่งภาวนามานานแล้วไม่เคยเห็นปรากฏอะไรออกมาบ้างเลยหรือไม่บางคนก็ว่าตนได้เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่เสมอทำให้บางคนเข้าใจผิดคิดว่าภาวนาแล้วตนจะได้เห็นสิ่งที่ต้องการเป็นต้นหลวงปู่เคยเตือนว่าการปรารถนาเช่นนั้นผิดทั้งหมดเพราะการภาวนานั้นเพื่อให้เข้าถึงหลักธรรมที่แท้จริง หลักธรรมที่แท้จริงนั้นคือจิตให้กาหนดดูจิตให้เข้าใจจิตตัวเองให้ลึกซึ้งเมื่อเข้าใจจิตตัวเองได้ลึกซึ้งแล้วนั่นแหละจึงเรียกว่าได้แล้วซึ่งหลักธรรมเรื่องเตือนสิทธิ์ไม่ให้ประมาทเพื่อป้องกันความประมาทหรือมักง่ายต่อการประพฤติปฏิบัติของพระเนหลวงปู่จึงสรรหาคาสอนตักเตือนไว้อย่างลึกซึ้งว่า เคาหัดชนญาติโยมทั่วไปเขาประกอบอาชีพการงานด้วยความยากลำบากเพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุเข้าของเงินทองมาเลี้ยงครอบครัวลูกหลานของตนแม้จะเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอย่างไรเขาก็ต้องต่อสู้ขณะเดียวกันเขาก็อยากได้บุญได้กุศลด้วยจึงพยายามเสียสละทำบุญลุกขึ้นแต่เช้าคุ้งหาอาหารอย่างดีค่อยใสบาตรก่อนใส เขายกอาหารขึ้นท่วมหัวแล้วตั้งจิตอธิษฐานขั้นใส่แล้วก็ถอยไปย่อตัวยกมือไหว้ครั้งหนึ่งที่เขาทำเช่นนั้นก็เพื่อต้องการบุญต้องการกุศลจากเรานั่นเองแล้วเราเล่ามีบุญกุศลอะไรบ้างที่จะให้เขาได้ประพฤตตนให้สมควรที่จะรับเอาของเขามากินแล้วหรือเรื่องหนักๆ ก, ก็มีบ้างพระอาจารย์สำเร็จ บวชมาแต่วัยเด็กจนอายุใกล้หกสิบปีแล้วเป็นพระฝ่ายวิปัสนาปฏิบัติเคร่งครัดชื่อเสียงดีมีคนเคารพนับถือมากแต่ในที่สุดก็ไปไม่รอดจิตใจเสื่อมลงเนื่องจากไปหลงรักลูกสาวของโยมอุปถาคถึงขั้นมาขอลาหลวงปู่ศึกไปแต่งงานทุกคนตกตะลึงกับข่าวนี้มากไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ พปฏิปทาของท่านเป็นที่ยอมรับว่าจะต้องอยู่ในสมณวิสัยจนตลอดชีวิตหากเป็นเช่นนั้นไปก็จะเป็นการเสื่อมเสียแกวงการฝ่ายวิปัสนาอย่างยิ่งพระเถระคณะสงฆ์และสานุศสิษธิ์ของท่านจึงช่วยกันป้องกันทุกวิถีทางเพื่อให้ท่านเปลี่ยนใจที่จะคิดศึกเสียโดยเฉพาะหลวงปู่เรียกมาตักเตือนแก้ไขยอย่างไรก็ไม่สาเร็จสุดท้าย อาจารย์สำเร็จกล่าวต่อหลวงปู่ว่ากระพมอยู่ไม่ได้เพราะนั่งภาวนาเทไรเห็นใบหน้าของเขามาล่องลอยปรากฏต่อหน้าอยู่ตลอดเวลาหลวงปู่ตอบเสียงดังว่าก็ไม่ภาวนาดูจิตของตัวเองไปภาวนาดูก้นของเขามันก็เห็นตะก้นเขาอยู่ล่ำไปนั่นแหละไปอยากไปไหนก็ไปตามสบายไปเถอะเรื่องมีปกติไม่แวะเกี่ยว อยู่รับใช้ใกล้ชิดหลวงปู่เป็นเวลานาน30กว่าปีจนถึงวาระสุดท้ายของท่านนั้นเห็นว่าหลวงปู่มีปฏิปทาตรงต่อพระธรรมวินัยตรงต่อการปฏิบัติเพื่อพ้นทุกอย่างเดียวไม่แวะเกี่ยวกับวิชาอาคมของศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งชวนสงสัยอะไรเลยแม้แต่น้อยเช่นมีคนขอให้เป่าหัวให้ก็ถามว่าเป่าทาไมมีคนขอให้เจิมรถ ก็ถามเขาว่าเจิมทำไมมีคนขอให้บอกวันเดือนหรือเลิกดีก็บอกว่าวันไหนก็ดีทั้งนั้นหรือเมื่อท่านเคี้ยวหมากมีคนขอชาญหมากหลวงปู่ว่าเอาไปทำไมของสกปรกเรื่องทำโดยกิริยาบางครั้งอาตมานึกไว้สบายใจเกรงว่าตัวเองจะมีบาป ที่เป็นผู้มีส่วนทำให้หลวงปู่ต้องแวะเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านไม่สนใจหรือไม่ถนัดใจครั้งแรกคือวันนั้นหลวงปู่ไปร่วม ง, งานเปิดพิพิธภัณฑ์บริหารท่านอาจารย์มั่นที่วัดป่าสุทาวาสสกลนครมีพระเถระฝ่ายวิปัสสนามากประชาชนก็มากเขาเหล่านั้นจึงถูโอกาสเข้าหาครูบาอาจารย์ทั้งเพื่อกราบเพื่อขอจึงมีหลายคน ที่มาขอให้หลวงปู่เป่าหัวเมื่อเห็นท่านเฉย อ, อยู่จึงขอร้องท่านว่าหลวงปู่เป่าให้เขาให้แล้วแล้วไปท่านจึงเป่าให้ต่อมาเมื่อเสียไม่ได้ก็เจิมรถให้เขาทนอ้อนวอดไม่ได้ก็อนุญาตให้เขาทำเหรียญอดสงสารไม่ได้ก็จุดเทียนชัยให้และเข้าพิธีพุทธาพิเศกวัตถุมงคลแต่ก็มีความสบายใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อฟังคำหลวงปู่ว่า การกระทาของเราในสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงกิริยาภายนอกที่เป็นไปเพื่อสังคมหาใช่เป็นกิริยาจิตที่นำไปสู่ภพภูมิหรือมรรคผลนิพพานแต่ประการใดไม่ รบธรรมะให้ฟังคำสอนทั้ง 84%, ดหมพันพระธรรมขันธ์นั้นเป็นเพียงอุบายให้คนทั้งหลายหันมาดูจิตนั่นเองคำสอนของพระพุทธองค์มีมากมายก็เพราะกิเลสมีมากมายแต่ทางที่ดับทุกขได้มีทางเดียวคือพระนิพพานการที่เรามีโอกาสปฏิบัติธรรมที่ถูกทางเช่นนี้มีน้อยนักหากปล่อยโอกาสให้ผ่านไปเราจะหมดโอกาสพ้นทุก์ได้ทันในชาตินี้ แล้วจะต้องหลงอยู่ในความเห็นผิดอีกนานแสนนานเพื่อจะพบทำอันเดียวกันนี้ดังนั้นเมื่อเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วรีบปฏิบัติให้หลุดพ้นเสียดิฉะนั้นจะเสียโอกาสอันดีนี้ไปเพราะว่าเมื่อสัตว์จะทำถูกลืมความมืดมนย่อมครอบงาปวงสัตว์ให้อยู่ในกองทุกข์สิ้นกาละนานเรื่องปรารถธรรมาให้ฟังมใช่ครั้งเดียวเท่านั้น ที่หลวงปู่เปรียบเทียบธรรมะให้ฟังมีอยู่อีกครั้งหนึ่งหลวงปู่ว่าปัญญาภายนอกคือปัญญาสมมุติไม่ทำให้จิตแจ้งในพระนิพพานได้ต้องอาศัยปัญญาอาริยมรรคจึงจะเข้าถึงพระนิพพานได้ความรู้ของนักวิทยาศาสตร์เช่นไอสไตน์มีความรู้มากมีความสามารถมากแยกปรมาณูที่เล็กที่สุดจนเข้าถึงมิติที่สแล้วแต่ไอสไตน์ไม่รู้จักพระนิพพาน จึงเข้าพระนิพพานไม่ได้จิตที่แจ้งในอริยมรรคเท่านั้นจึงเป็นไปเพื่อการตัดสรู้จริงตัดสรู้ยิ่งตัดสรู้พร้อมเป็นไปเพื่อความดับทุกข์เป็นไปเพื่อนิพพานเรื่องวิธีระงับดับทุกข์แบบหลวงปู่ระหว่างพุทธศักราช2520โลกธรรมฝ่ายอนิถารมกำลังครอบงำข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกระทรวงมหาดไทยอย่างหนัก คือเสื่อมลาบเสื่อมยศถูกดินทาและทุกแน่นอนความทุกโศกอันนี้ย่อมปกคลุมถึงบุตรพ ญ, ญายด้วยจึงมีอยู่วันหนึ่งคุณหญิงคุณนายหลายท่านได้ประนามส ก, การหลวงปู่พรรณนาถึงความทุกโศกที่กำลังได้รับอยู่เพื่อให้หลวงปู่ได้แนะวิธีหรือช่วยเหลืออย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่ท่านจะเมตตาหลวงปู่กล่าวว่า บุคคลไม่ควรเศร้าโศกอาลัยอาวานถึงสิ่งนอกกายทั้งหลายที่มันผ่านพ้นไปแล้วมันหมดไปแล้วเพราะสิ่งเหล่านั้นมันได้ทำหน้าที่ของมันอย่างถูกต้องโดยสมบูรณ์ที่สุดแล้วเรื่องเมื่อกล่าวถึงศัจธรรมแล้วย่อมลงสู่กระแสเดียวกันมีท่านผู้คงแก่เรียนหลายท่านชอบถามว่าคากล่าวหรือเทศของหลวงปู่ดูคล้ายนิกายเซียน หรือคล้ายมาจากสูตรเว้ยหลางเป็นต้นอาตมาเรียนถามหลวงปู่ก็หลายครั้งในที่สุดท่านกล่าวอย่างเป็นกลางว่าสัตยธรรมทั้งหมดมีอยู่ประจําโลกอยู่แล้วพระพุทธเจ้าตรัสรู้สัตยธรรมนั้นแล้วก็นํามาสั่งสอนสัตว์โลกพราะทยาสายของสัตว์ไม่เหมือนกันยาบ้างประณีตบ้างพระองค์จึงเปลืองคําสอนไว้มากถึง 84% ดหมพันพระธรรมขันธ์ เมื่อมีนักปราชญาฉลา ด, ลาดสรรหาคําพูดให้สมบูรณ์ที่สุดเพื่อใจที่บายสัจธรรมนั้นนํามาตีแผ่เผยแจ้งแก่ผู้มู่สัจธรรมด้วยกันเราย่อมจะต้องอาศัยแนวทางในสัจธรรมนั้นที่ตนเองไต่ตองเห็นแล้วว่าถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุดนําแผ่ออกไปอีกโดยไม่ได้คํานึงถึงคําพูดหรือไม่ได้ยึดติดในอักขระพยัญชนะตัวใดเลยแม้แต่น้อยเดียวเรื่องละเอียด หลวงพ่อเบตวัดป่าโคกมอนได้เข้าสนทนาธรรมถึงการปฏิบัติทางสมาธิภาวนาเล่าถึงผลของการปฏิบัติขั้นต่อต่อไปว่าได้บำเพ็ญสมาธิภาวนามานานให้จิตเข้าถึงอัปปนาสมาธิได้เป็นเวลานานา น, นานก็ได้ขั้นถอยจากสมาธิออกมาบางทีก็เกิดความสุขเ อ, อิบอิ่มอยู่เป็นเวลานานบางทีก็เกิดความสว่างสวยัย เข้าใจสารพางกายได้อย่างครบถ้วนหรือจะมีอะไรต้องปฏิบัติต่อไปอีกหลวงปู่ว่าอาศัยพลังอั ป, ปนาสมาธินั่นแหละมาตรวจสอบจิตแล้วปล่อยวางอารมณ์ทั้งหมดอย่าให้เหลืออยู่เรื่องว่างในสมัยต่อมาหลวงพ่อเบียดพร้อมด้วยพระสหธรรมิสองรูปและมีขราชกหลายคนด้วยเข้านมัส ก, การหลวงปู่ หลังจากหลวงปู่ได้แนะนำข้อปฏิบัติแก่ผู้ที่เข้ามาใหม่แล้วหลวงพ่อเบตถามถึงข้อปฏิบัติที่หลวงปู่แนะนำเมื่อคราวที่แล้วว่าการปล่อยวางอารมณ์นั้นทำได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวหรือชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นไม่อาจให้อยู่ได้เป็นเวลานานหลวงปู่ว่าแม้ที่ว่าปล่อยวางอารมณ์ได้ชั่วขณะหนึ่งนั้นถ้าสังเกตจิตไม่ดีหรือสติไม่สมบูรณ์เต็มที่แล้ว ก็อาจเป็นได้ว่าละจากอารมณ์หยาบไปอยู่กับอารมณ์ละเอียดก็ได้จึงต้องหยุดความคิดทั้งปวงเสียแล้วปล่อยจิตให้ตั้งอยู่บนความไม่มีอะไรเลยเรื่องไม่ค่อยจากระผมได้อ่านประวัติการปฏิบัติธรรมของหลวงปู่เมื่อสมัยเดินทุดงว่าหลวงปู่เข้าใจเรื่องจิตได้ดีว่าจิตปรุงกิเลสหรือว่ากิเลสปรุงจิตข้อนี้หมายความว่ายอย่างไร หลวงปู่อธิบายว่าจิตปรุงกิเลสคือการที่จิตบังคับให้กายวาจาใจกระทำสิ่งภายนอกให้มีให้เป็นให้ดีให้เลวให้เกิดวิบากได้แล้วยึดติดอยู่ว่านั่นเป็นตัวนั่นเป็นตนของเราของเขากิเลสปรุงจิตคือการที่สิ่งภายนอกเข้ามาทำให้จิตเป็นไปตามอำนาจของมันแล้วยึดว่ามีตัวมี ต, ม ต, มตนอยู่ สำคัญผิดจากความเป็นจริงอยู่ร่าไปเรื่องรู้จากการเรียนกับรู้จากการปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาวิมุตติที่กระผมจาจากตำราและฟังครูสอนนั้นจะตรงกับเนื้อหาตามที่หลวงปู่เข้าใจหรือหลวงปู่อธิบายว่าศีลคือปกติจิตที่อยู่ปราศจากโทษเป็นจิตที่มีเกราะกบาบังป้องกันการกระทาชั่วทุกอย่าง สมาธิเป็นผลสืบเนื่องมาจากการรักษาศีลคือจิตที่มีความมั่นคงมีความสงบเป็นพลังที่จะส่งต่อไปอีกปัญญาผู้รู้คือจิตที่ว่างเบาสบายรู้แจ้งแทงตลอดตามความเป็นจริงอย่างไรวิมุตติคือจิตที่เข้าถึงความว่างจากความว่างคือละความสบายเหลือแต่ความไม่มีไม่เป็นไม่มีความคิดเหลืออยู่เลย เรื่องอุบายคลายความยึดเมื่อกระผมทําความสงบให้เกิดขึ้นแล้วก็พยายามรักษาจิตให้ดํารงอยู่ในความสงบนั้นด้วยดีแต่ขั้นกระทบกระทั่งกับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งจิตก็มักจะสูญเสียสถานะที่พยายามทำลงไว้นั้นร่ําไปหลวงปู่ว่าถ้าเช่นนั้นแสดงว่าสมาธิของตนเองยังไม่แข็งแกร่งเพียงพอถ้าเป็นอารมณ์แรงกล้าเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอารมณ์ที่เป็นจุดอ่อนของเราแล้วต้องแก้ด้วยวิปัสนาวิธีจงเริ่มต้นด้วยการพิจารณาสภาวธรรมที่ยางที่สุดคือกายแยกให้ละเอียดพิจารณาให้แจ่มแจ้งขยับถึงพิจารณานามธรรมาอะไรก็ได้ทีละคู่ที่เราเคยแยกพิจารณามาก็มีเช่นความดำความขาวความมืดความสว่างเป็นต้นเรื่อง การค้ากับการปฏิบัติธรรมพวกกระผมมีภาระหน้าที่ในการค้าขายซึ่งบางครั้งจะต้องพูดอะไรออกไปเกินความจริงบ้างค้ากําไรเกินควรบ้างแต่กระผมก็มีความสนใจและเลื่อมใสในการปฏิบัติทางสมาธิภาวนาอย่างยิ่งแล้วก็ได้ลงมือปฏิบัติมาบ้างแล้วโดยลำดับแต่บางท่านบอกว่าภาระหน้าที่อย่างผมนี้ มาปฏิบัติภาวนาไม่ได้ผลหรอกหลวงปู่เห็นว่าอย่างไรเพราะเขาว่าขายของเอากำไรก็เป็นบาปอยู่หลวงปู่ว่าเพื่อดำรงชีพอยู่ได้ทุกคนจึงต้องมีอาชีพการงานและอาชีพการงานทุกสาขาย่อมมีความถูกต้องความเหมาะความควรอยู่ในตัวของมันเมื่อทำให้ถูกต้องพอเหมาะพอควรแล้วก็เป็นอัพยากตะธรรมไม่เป็นบาป ไม่เป็นบุญแต่ประการใดส่วนการประพฤติธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ควรกระทำเพราะผู้ประพฤติธรรมเท่านั้นย่อมสมควรแก่การงานทุกกรณีเรื่องกินกระผมได้ปฏิบัติทางจิตมานานก็พอมีความสงบอยู่บ้างแต่มีปัญหาทางการบริโภคเนื้อสัตว์คือเพียงแต่เห็นก็นึกเวทนาไปถึงเจ้าของเนื้อนั้นว่าเขาต้องสูญเสียชีวิตเพื่อเราผู้บริโภคแท้ คล้ายๆกับว่าเราผู้ปฏิบัติจะขาดเมตตาไปมากเมื่อเกิดความกังวลใจเช่นนี้ก็ทำความสงบใจได้ยากหลวงปู่ว่าทิกษุจะบริโภคปัจจัยสี่ต้องพิจารณาเสียก่อนเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าการกินเนื้อสัตว์คล้ายเป็นการเหยียดเบียนและขาดเมตตาต่อสัตว์ก็ให้งดเว้นการฉันเนื้อเสียพากันฉันอาหารเจต่อไป เรื่องกินมีอีกสมัยต่อมาประมาณสี่เดือนภิกสุกลุ่มนั้นมากราบเรียนหลวงปู่อีกหลังจากออกพรรษาแล้วบอกว่าพวกกระผมฉันเจมาตลอดพรรษาด้วยความยากลำบากอย่างยิ่งเพราะญาติโยมแถวบ้านโคกกลางอำเภอปราศาสนั้นไม่มีใครรู้เรื่องอาหารเจเลยลำบากด้วยการแสวงหาและลำบากแกญาติโยมผู้ประัก์ บางรูปถึงสุขภาพไม่ดีบางรูปเกือบไม่พ้นพรรษาการทำความเพียรก็ไม่เต็มที่เท่าที่ควรหลวงปู่ว่าทิกษุเมื่อจะบริโภคปัจจัยสี่ต้องพิจารณาเสียก่อนครั้นเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าอาหารที่ตั้งอยู่เฉพาะหน้านี้แม้จะมีผักบ้างเนื้อบ้างปลาบ้างข้าวสุกบ้างแต่ก็เป็นของบริสุทธิ์โดยส่วนสาม คือไม่ได้เห็นไม่ได้ยินและเขาไม่ได้ฆ่าเพื่อเจาะจงเราและเราก็แสวงหามาโดยชอบทำแล้วญาติโยมเขาก็ถวายด้วยความศรัท ธ, ธาเลื่อมใสแล้วก็พึงบริโภคอาหารนั้นไปครูบาอาจารย์ของเราท่านก็ปฏิบัติอย่างนี้มาแล้วเหมือนกันเรื่องกินยังไม่จบเมื่อวันแรมสองค่าเดือนสคพุทธศักราช2522้หลวงปู่ พักอยู่ที่วัดป่าประโคนชัยเวลาสองทุ่มผ่านไปแล้วมีภิกูุกลุ่มหนึ่งซึ่งชอบเดินทุดงไปตามที่ชุมนุมต่างๆได้แวะเข้าไปพักที่วัดป่านั้นด้วยหลังจากแสดงความคารวะตามสมณวิสัยแล้วก็กล่าวถึงจุดเด่นที่เขายึดถือเป็นหลักปฏิบัติว่าผู้บริโภคเนื้อสัตว์คือผู้สนับสนุนให้คนฆ่าสัตว์ผู้บริโภคผักมีจิตเมตตาสูง สามารถที่สูดได้ว่าเมื่อหันไปบริโภคผักแล้วจิตใจก็สงบเย็นดีขึ้นหลวงปู่ว่าดีทีเดียวแหละท่านผู้ใดาสามารถฉันมังสวิรัตได้ก็เป็นการดีมากขออนุโมทนาสาธุด้วยส่วนท่านที่ยังฉันมังสะอยู่หากมังสะเหล่านั้นเป็นของบริสุทธิ์โดยส่วนสาคือไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่สงสัยว่าเขาเจาะจง ได้มาด้วยความบริสุทธิ์แล้วก็ไม่ผิดทมผีวินัยแต่ประการใดอันหนึ่งที่ว่าจิตใจสงบเยือกเย็นดีนั้นก็เป็นผลเกิดขึ้นจากพลังของการตั้งใจปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระธรรมวินยัยไม่เกี่ยวกับอาหารใหม่อาหารเก่าที่อยู่ในท้องเลยเรื่องความหลังยังฝังใจครั้งหนึ่งหลวงปู่ไปพักผ่อนที่วัดป่าโยธาประสิทธิ์พระเนยียนจนวนมาก มากราบ น, นมสัส ก, การหลวงปู่ฟังโอวาทของหลวงปู่แล้วหลวงตาพลอยผู้บวชเมื่อแก่แต่สารวมดีได้ปราารบถึงตนเองว่ากระผมบวชมาก็นานพอสมควรแล้วยังไม่อาจตัดห่วงอาไรในอดีตได้แม้จะตั้งใจอย่างไรก็ยังเผลอจนได้ขอทราบอุบายวิธีอย่างอื่นเพื่อปฏิบัติตามแนวนี้ต่อไปด้วยครับกระผมหลวงปู่ว่า อย่าให้จิตลั่นไปสู่อารมณ์ภายนอกถ้าเผลอเมื่อรู้ตัวให้รีบดึงกลับมาอย่าปล่อยให้มันรู้อารมณ์ดีหรือชั่วสุขหรือทุกข์ไม่คล้อยตามและไม่หักหานหลวงปู่กับเกจิอาจารย์เมื่อประมาณพุทธศักราช2520ห้ลวงปู่รับนิมนต์ไปร่วมพิธีกรรมที่วัดธรรมมงคลสุขุมวิทในงานนี้ท่านรับนิมนต์เข้าไปนั่งตลก ในพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลด้วยเมื่อเสร็จพิธีแล้วออกมานั่งพักที่กุติและแข่งเนินสนทนากับเหล่าศิษยานุสิ์ที่ศึกษาเราเรียนอยู่ในกรุงเทพเป็นจำนวนหลายรูปและคงจะมีรูปใดรูปหนึ่งเมื่อก่อนไม่เคยเห็นหลวงปู่เข้าพิธีพุทธาพิเศษเพิ่งเห็นครั้งนี้เองเช่นนี้กระมังหลวงปู่จึงว่าอาจารย์องค์อื่ น, นเขานั่งตกนั่งพุทธาพิเศกอย่างไรเราไม่รู้ ส่วนตัวเรานั่งทำสมาธิอย่างเดียวตามแบบฉบับของเราเรื่องอยากเรียนเก่งหนูได้ฟังคุณตาสระศักิ์กองสุขแนะนำว่าถ้าใครต้องการเรียนเก่งและฉลาดต้องหัดนั่งภาวนาทำสมาธิให้ใจสงบซะก่อนหนูอยากจะเรียนเก่งเรียนฉลาดอย่างเขาจึงพยายามนั่งภาวนาทำใจให้สงบแต่ใจมันก็ไม่ยอมสงบสักที บางทีก็ยิ่งทวีความฟุ้งซ่านมากขึ้นก็มีเมื่อใจไม่สงบเช่นนี้ทาอย่างไรจรึงจะเรียนเก่งเจ้าคะหลวงปู่ว่าเรียนอะไรก็ให้มันรู้อันนั้นเดี๋ยวก็เก่งเองแหละที่ใจไม่สงบก็ให้รู้ว่ามันไม่สงบเพราะอยากสงบมันจึงไม่สงบขอให้พยายามภาวนาเรื่อยๆไปเถอะสักวันหนึ่งก็จะได้สงบตามต้องการเรื่องไปทุดงเพื่ออะไร พระเนียนบางกลุ่มหลังจากออกพรรษาแล้วนิยมพากันออกเที่ยวทุ่ดงไปในที่ต่างๆมีการตระเตรียมบริหารหรือชุดทุ่ดงกันอย่างครบเครื่องแต่ในการไปนั้นมีอยู่หลายรูปที่ไปแบบผิดเป้าหมายเช่นทรงเครื่องกรรมฐานไปรถทัวร์รถไฟบ้างเที่ยวไปเยี่ยมเพื่อนฝูงตามสำนัก ง, งานต่างๆบ้างหลวงปู่จึงกล่าวถ้ำกลางคณะกรรมฐานว่า การกระทำตนเป็นพระธุดงรูปงามนั้นย่อมไม่ควรผิดวัตถุประสงค์ของการเดินทุดงทุกองค์พึงสำเด็จให้มากว่าการประพฤติธุดงกรรมฐานนั้นมุ่งการฝึกฝนขัดเกลาจิตใจให้ปราศจากกิเลสประการเดียวเท่านั้นการไปทุดงกรรมฐานแต่ตัวส่วนใจไม่ไปนั้นไม่เป็นการประเสริฐเลยเรื่องหยุดต้องหยุดให้เป็น นักปฏิบัติกราบเรียนหลวงปู่ว่ากระผมพยายามหยุดคิดหยุดนึกให้ได้ตามที่หลวงปู่เคยสอนแต่ไม่เป็นผลสำเร็จสักทีซ้ำยังเกิดความอึดอัดนั่นใจสมองมึนงงแต่กระผมก็ยังศรัทธาว่าที่หลวงปู่สอนไว้ย่อมไม่ผิดพลาดแน่ขอทราบอุบายวิธีต่อไปด้วยหลวงปู่บอกว่าก็แสดงถึงความผิดพลาดอยู่แล้วพอบอกให้หยุดคิดหยุดนึก ก็กลับไปคิดที่จะหยุดคิดเสียอีกเล่าแล้วอาการหยุดเจ้าบาดขึ้นได้อย่างไรจงกำจัดอวิชชาแห่งการหยุดคิดหยุดนึกเสียให้สิน้นเลิกล้มความคิดที่จะหยุดคิดเสียก็สิ้นเรื่องเรื่องผลคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันรามสองข้ามเดือน11เป็นวันคล้ายวันเกิดของหลวงปู่ซึ่งพอดีกับวันออกพรรษาแล้วได้สองวันของทุกปีสานุรสิทธิ์ทั้งฝ่ายปริยัตและฝ่ายปฏิบัติ ก็นิยมเดินทางไปกราบน้มัส ก, การหลวงปู่เพื่อศึกษาและไต่ถามข้อวัดปฏิบัติหรือรายงานผลของการปฏิบัติมาตลอดพรรษาซึ่งเป็นกิจที่สิทธิของหลวงปู่กระทําอยู่เช่นนี้ตลอดมาหลังจากฟังหลวงปู่แนะนําข้อวัดปฏิบัติอย่างพิสดารแล้วหลวงปู่จบลงด้วยคําว่าการศึกษาธรรมด้วยการอ่านการฟังสิ่งที่ได้ก็คือสัญญาหรือความจําได้ การศึกษาธรรมด้วยการลงมือปฏิบัติสิ่งที่เป็นผลของการปฏิบัติคือภูมิธรรมเรื่องมีอยู่จุดเดียวในนามสัตว์ทิวิหาริขของหลวงปู่มีพระมหาเทวีสุขสอบป ร, รียนก้าประโยคได้เป็นองค์แรกทางวัดบุรพารามจึงจัดฉลองพัดประโยคก้าวถวายหลังจากพระมหาเทวีสุขถวายส ก, การะแก่หลวงปู่แล้วท่านได้ให้อวาตแบบปราลบธรรมะว่า ผู้ที่สามารถสอบปเปรียญเก้าประโยคได้นั้นต้องมีความเพียรอย่างมากและมีความฉลาดเพียงพอเพราะถือว่าเป็นการจบหลักสูตรฝ่ายปริยัตและต้องแตกฉานในพระตจปิดกการสนใจทางปริยัตเพียงอย่างเดียว้นทุกไม่ได้ต้องสนใจปฏิบัติทางจิตต่อไปอีกด้วยหลวงปู่กล่าวว่าพระธรรมทั้ง 84%00 มพพระธรรมขันธ์นั้นออกไปจากจิตของพระพุทธเจ้าทั้งหมด ทุกสิ่งทุกอย่างออกจากจิตอยากรู้อะไรค้นได้ที่จิตเรื่องโลกกับธรรมในวันที่สิบสองมีนาคมพุทธศักราช2522หลวงปู่ไปพักผ่อนวิเวกอยู่ที่วัดถ้ำสีแก้วภูพานสกลนครเป็นเวลาสิบกว่าวันค่ำวันสุดท้ายที่หลวงปู่จะเดินทางกลับท่านอาจารย์สุวัตรพร้อมพระเนนในวัด เข้าไปกราบหลวงปู่เพื่อการอำลาให้หลวงปู่ท่านกล่าวว่าพักผรอยู่ที่นี่สบายดีอากาศก็ดีภาวนาก็สบายนึกถึงบรรยากาศเก่าเมื่อสมัยเที่ยวทุดงแล้วหลวงปู่ก็กล่าวธรรมโมวาามีความต่อนหนึ่งว่าสิ่งใดซึ่งสามารถรู้ได้สิ่งนั้นเป็นของโลกสิ่งใดไม่มีอะไรจะรู้ได้สิ่งนั้นคือธรรมโลกมีของคู่อยู่เป็นนิด แต่ทมเป็นของสิ่งเดียวรวดเรื่องควรถามหรือไม่ผู้สนใจในทางปฏิบัติหลายท่านไม่ว่าบรรณชิตหรือเครือขัดวางท่านนอกจากจะตั้งใจปฏิบัติเอาเองแล้วยังชอบเที่ยวสแสวงหาครูบาอาจารย์ที่มีความชำนาญในการแนะนำสั่งสอนฟังทาจากท่านเป็นต้นมีพลานักปฏิบัติคณะหนึ่งจากภาคกลางไปพักอยู่หลายวัน เพื่อฟังธรรมและเรียนถามกรรมาฐานกับหลวงปู่องค์หนึ่งพรรณนาความรู้สึกของตนว่ากระผมเข้าหาครูบาอาจารย์มาก็หลายองค์แล้วท่านก็สอนดีอยู่หรอบแต่ส่วนมากมักสอนแต่เรื่องระเบียบวินัยหรือวิธีทุดงคักกรรมาฐานและความสุขความสงบอันเกิดจากสมาธิเท่านั้นส่วนหลวงปู่นั้นสอนทางลัถึงสิ่งสุดยอดอนัตตาสุญญาตาถึงพันิพาณ กระผมขออภัยที่บังอาจถามหลวงปู่ตรงๆว่าการที่หลวงปู่สอนเรื่องนิพพานนั้นเดี๋ยวนี้หลวงปู่ถึงนิพพานแล้วหรื อ, อยังหลวงปู่ปรารบว่าไม่มีอะไรจะถึงและไม่มีอะไรจะไม่ถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมนั้นเพื่ออะไรหลวงพ่อเบสซึ่งเป็นญาติอย่างใกล้ชิดของหลวงปู่อยู่ที่วัดโคกหมอนแม้ท่านจะบวดเมื่อไวยชรา แต่ก็เคร่งครัดต่อการปฏิบัติทุดงกรรมฐานอย่างยิ่งหลวงปู่เคยยกย่องว่าปฏิบัติได้ผลดีวันหนึ่งท่านอาพาธหนักใกล้จะมรณะภาพแล้วท่านปรารภว่าอยากเห็นหลวงปู่เป็นครั้งสุดท้ายเพื่อลาตายอาตมาเรียนหลวงปู่ให้ทราบเมื่อหลวงปู่ไปถึงแล้วหลวงพ่อเบตรดลุกกลาบแล้วล้มตัวนอนตามเดิมโดยไม่ได้พูดอะไร แต่มีอาการยิ้มและสดชื่นเห็นได้ชัดขณะนั้นโระเสียงอันชัดเจนและนุ่มนวลของหลวงปู่ก็มีออกมาว่าการปฏิบัติทั้งหลายที่เราพยายามปฏิบัติมาก็เพื่อจะใช้ในเวลานี้เท่านั้นเมื่อถึงเวลาที่จะตายให้ทําจิตให้เป็นหนึ่งแล้วหยุดแข่งปล่อยวางทั้งหมดซึ่งหมายถึงออกจากฌานระดับพร้อมเรื่องหวังผลไกล เมื่อมีแขกรู้บาศกอุบาสิกาไปกราบนมัสการหลวงปู่แต่หลวงปู่มีปกติไม่เคยถามถึงเรื่องอื่นไกลมักถามว่าญาติโยมเคยภาวนาบ้างไหมบางคนตอบว่าเคยบางคนตอบว่าไม่เคยในจำนวนนั้นมีคนหนึ่งฉะฉานกว่าใครเขากล่าวว่าดิฉันเห็นว่าพวกเราไม่จำเป็นต้องมาวิปัสสนาอะไรให้มันลาบากลงบนนัก พอปีหนึ่งปีหนึ่งที่ท่านก็ฟังเทศมหาชาติจบทั้งส3กันตั้งหลายวัดท่านว่าอาลิสงการฟังเทศมหาชาตินี้จะได้ถึงาศาสนาพระศีอารนก็จะพบแต่ความสุขความสบายอยู่แล้วต้องมาทรมานให้ลำบากทำไมหลวงปู่ว่าสิ่งอันประเสริฐที่มีอยู่เฉพาะหน้าและไม่สนใจกลับไปหวังไกลถึงสิ่งที่เป็นแต่เพียงการกล่าวถึงเป็นลักษณะของคนไม่เอาไหนเลย ก็ในเมื่อบักผลนิพพานในศาสนาสมณะโคโดมในปัจจุบันนี้ยังมีอยู่อย่างสมบูรณ์กลับเลี้ยวไหลไม่สนใจเมื่อถึงศาสนาพระสีอานก็จะยิ่งเหลี้ยวไหลมากกว่านี้อีกโลกนี้มันก็มีเท่าที่เราเคยรู้มาแล้วนั่นเองบางครั้งที่หลวงปู่สังเกตเห็นว่าผู้มาปฏิบัติยังลังเลใจเสียดายในความสนุกเพลิดเพลินแบบโลกล้วน จนไม่อยากละมาปฏิบัติธรรมท่านแนะนำชวนคิดให้เห็นชัดว่าขอให้ท่านทั้งหลายจงสังรวจดูความสุขว่าตรงไหนที่ตนเห็นว่ามันสุขที่สุดในชีวิตคั้นสํารวจดูแล้วมันก็แค่นั้นแหละแค่ที่เราเคยรู้เคยพบมาแล้วนั่นเองทำไมจึงไม่มากกว่านั้นมากกว่านั้นไม่มีโลกนี้มีอยู่แค่นั้นเองแล้วก็ซ้ําๆซ า, ากซ า, ากอยู่แค่นั้น เกิดแก่เจ็บตายอยู่ร่ำไปมันจึงน่าจะมีความสุขชนิดพิเศษกว่าประเสริฐกว่านั้นปลอดภัยกว่านั้นพระริยาเจ้าทั้งหลายถ้าจื้อสละสุขส่วนน้อยนั้นเสียเพื่อสแสวงหาสุขอันเกิดจากความ ส, มบาสงบกายสงบจิตสงบกิเลสเป็นความสุขที่ปลอดภัยหาสิ่งใดเปรียบนี้ได้เลยเรื่องไม่ยากสาหรับผู้ไม่ติดอารมณ์วัดบุรพาราม ที่หลวงปู่ประจำอยู่ตลอด50ปีไม่ได้ไปจำภรษาที่ไหนเลยเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองหน้าสารากลางติดกับสารจังหวัดสุรินทร์ด้วยเหตุนี้จึงมีเสียงรบกวนความสงบอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเมื่อถึงฤดูงานช้างแฝหรือฤดูเทศกาลแต่ละอย่างแสงเสียงอึกะทึกครื้นตลอด7วันบ้าง15วันบ้าง ภิกษุสัมมาเดนผู้ยังมีจิตใจอ่อนไหวอยู่ย่อมได้รับความกระพร OB กระเทือนเป็นอย่างยิ่งเมื่อนำเรื่องนี้กราบเรียนหลวปู่ทีไรก็ได้คําตอบทานองเดียวกันทุกครั้งว่ามัวสนใจอะไรกับสิ่งเหล่านั้นธรรมดาแสงย่อมสว่างธรรมดาเสียงย่อมดังหน้าที่ของมันเป็นเช่นนั้นเองเราไม่ใส่ใจฟังเสีย่างทั้งหมดเรื่องจงทําตัวเราไม่ให้เป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดลอ้อม พราะมันอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เองเพียงจะทำความเข้าใจกับมันให้ถ่องแท้ด้วยปัญญาลึกซึ้งเท่านั้นเองเรื่องบางทีฟังแล้วก็งงและทึ่งอาตมามีส่วนเสียอยู่อย่างหนึ่งคือชอบถามหรือพูดกับหลวงปู่แบบทีเล่นทีจริงอยู่เรื่อยทั้งนี้ก็เพราะหลวงปู่ไม่เคยถือท่านเป็นการเองกับพระเนียนผู้ใกล้ชิดอย่างสม่เสมอเช่น ถามท่านว่าในตำรากล่าวว่ามีเทวดามาชุมนุมฟังเทศหรือมาฝ้าพระพุทธเจ้าหลายสิบกวดนั้นจะมีสถานที่บรรจุพอหรือเสียงดังทั่วถึงกันหรือเมื่อได้ฟังหลวงปู่ตอบแล้วก็งงวยงงและอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งเพราะไม่เคยพบในตำราและไม่เคยได้ยินมาก่อนและยิ่งกว่านั้นเพ่งจะได้ฟังท่านพูดเมื่ออาพาธหนักแล้วใกล้จะมรณภาพด้วย หลวงปู่ตอบว่าเทวดาจะมาชุมนุมกันจำนวนกี่ล้านกวดก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะในเนื้อที่หนึ่งปรมนูเทวดาอยู่ได้ถึงแปดองค์เรื่องแบบโมโนสาเร ก, ก็เคยตอบปัญหาโลกแตกที่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทั้งคนปัญญาดีและปัญญาอ่อนนำมาถกเถียงกันยังไม่เกิดประโยชน์และตกลงกันไม่ได้จุดทีว่าไก่กับไข่อย่างไหนเกิดก่อน ซึ่งส่วนมากเป็นการถามตอบเพื่อเถียงกันเล่นแล้วจบลงไม่ได้ก็ยังมีผู้นำไปถามโดยคิดว่าหลวงปู่คงไม่ตอบปัญหาแบบนี้ในที่สุดก็ได้ฟังคำตอบของหลวงปู่อย่างไม่เหมือนใครเลยคือวันหนึ่งพระเบื่มเข้าไปปฏิบัตินวดเท้าวถวายท่านแล้วถามว่าหลวงปู่ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนหลวงปู่บอกว่าเกิดพร้อมกันนั่นแหละ เรื่องกล่าวเตือนบางครั้งหลวงปู่ถ้าจะรำคาญกับพวกที่ปฏิบัติเพียงไม่กี่มากน้อยก็มาถามแบบเร่งผลให้ทันตาเห็นท่านกล่าวเตือนว่าการปฏิบัติให้มุ่งปฏิบัติเพื่อสมรวมเพื่อความละเพื่อคลายความกำหนัดยินดีเพื่อความดับทุกข์ไม่ใช่เพื่อเห็นสวรรค์วิมานหรือแม้พระนิพพานก็ไม่ต้องตั้งเป้าหมายเพื่อจะเห็นทั้งนั้น ให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆไม่ต้องอยากเห็นอะไรเพราะนิพพานมันเป็นของว่างไม่มีตัวมีตนหาที่ตั้งไม่มีหาที่เปรียบไม่ได้ปฏิบัติไปจึงจะรู้เองเรื่องละอย่างหนึ่งติดอีกอย่างหนึ่งลูกศิ ษ, ย, ษย์ฝ่ายคฤหอขัดผู้ปฏิบัติธรรมคนหนึ่งเข้านมัสการหลวงปู่รายงานผลการปฏิบัติให้หลวงปู่ฟังด้วยความภาคภูมิใจว่าปลื้มใจอย่างยิ่ง ที่ได้พบหลวงปู่วันนี้ด้วยกระผมปฏิบัติตามที่หลวงปู่เคยแนะนาก็ได้ผลไปตามลาดับคือเมื่อลงมือนั่งภาวนาก็เริ่มละสัญญาอารมณ์ภายนอกหมดจิตก็หมดความวุ่นจิตรวมจิตสงบจิต ด, ดิ่งสู่สมาธิหมดอารมณ์อื่นเหลือแต่ความสุขสุขอย่างยิ่งเย็นสบายแม้จะให้อยู่ตรงนี้นานเท่าไหร่ก็ได้หลวงปู่ยิ้มแล้วพูดว่า เออก็ดีแล้วที่ได้ผลพูดถึงความสุขในสมาธิมันก็สุขจริงๆจะเอาอะไรมาเปรียบไม่ได้แต่ถ้าติดอยู่แค่นั้นมันก็ได้แค่นั้นแหละยังไม่เกิดปัญญาอริยมรรคที่จะตัดภพชาติตัณหาอุปาทานได้ให้ละสุขนั้นเสียก่อนแล้วพิจารณาขันห้าให้แจ่มแจ้งต่อไปปรารบธรรมเปรียบเทียบจิตของพระริยเจ้าชั้นโลกุตระนั้น แม้จะยังอยู่ในโลกทุกข์คลีกับสิ่งแวดล้อมโดยสถานใดก็ไม่อาจจุงจิตของท่านให้ไข้เขียเจือปนกับสิ่งเหล่านั้นได้คือโลกธรรมไม่อาจครอบงำจิตได้เล ย, เลยคือจิตไม่อาจกลับกลายไปเป็นจิตปุถุชนได้อีกไม่อาจกลับไปอยู่ใต้อํานาจของกิเลสตัณหาได้อีกเปรียบเหมือนกระทิมะพร้าวที่คั้นออกมาแล้วเอาไปสํารอกหรือเคี่ยวด้วยความร้อนจนเป็นน้ํามันออกมาได้แล้ว ย่อไม่กลับกลายไปเป็นกะทิเหมือนเดิมอีกแม้จะเอาไปปะปนพระรคนตกับกะทิอย่างไรก็ไม่อาจทำให้น้ำมันนั้นกลายเป็นกะทิเหมือนเดิมได้เรื่องตัวอย่างเปรียบเทียบมรรคผลนิพพานเป็นสิ่งปัด จ, จัดตังคือรู้เห็นได้เฉพาะตนโดยแท้ผู้ใดปฏิบัติเข้าถึงผู้นั้นเห็นเองแจมแจ้งเองหมดสงสัยในพระศาสนาได้โดยสิ้นเชิง มิฉะนั้นแล้วจะต้องเดาเอาอยู่ร่ำไปแม้จะมีผู้สามารถอธิบายให้ลึกซึ้งอย่างไรก็รู้ได้แบบเดาสิ่งใดยังเดาอยู่สิ่งนั้นก็ยังไม่แน่นอนยกตัวอย่างเช่นเต่ากับปลาเต่าอยู่ได้สองโลกคือโลกบนบกกับโลกในน้ําส่วนปลาอยู่ได้โลกเดียวคือในน้ำขึ้นมาบนบกก็ตายหมดวันหนึ่ง เต่าลงไปในน้ําแล้วก็พนันนาความสุขสบายบนบกให้ปลาฟังว่ามันมีแต่ความสุขสบายแสงสีสวยงามไม่ต้องลําบากเหมือนอยู่ในน้ําปลาพากันฟังด้วยความสนใจและอยากเห็นบกจึงถามเต่าว่าบนบกนั้นลึกมากไม้มเต่ามันจะลึกอะไรก็มันบกเอบนบกนั้นมีคลื่นมากไหมมันจะคลื่นอะไรก็มันบนบก เอบนบกนั้นมีเปลือกตมมากไหมมันจะมีอะไรก็มันบกให้สังเกตดูคำที่ปลาถามเอาแต่ความรู้ที่มีอยู่ในน้ำถามเตา่าเต่าก็ได้แต่ปฏิเสธจิตปุถุชนที่เดามักผลนิพพานก็ไม่ต่างอะไรกับปลาเรื่องภายนอกกับภายในเมื่อเย็นวันที่สองเมษายนพุทธศักราช2524 หลังจากหลวงปู่กลับจากราชพิธีในพระราชวังกำลังพักผ่อนอยู่ที่พระตำหนักสมพตวัดบรวรนิเวศมีท่านเจ้าคุณซึ่งเป็นนักปฏิบัติภาวนาองมหนึ่งเข้าไปเยี่ยมสนทนาธรรมกับหลวงปู่ขึ้นต้นด้วยคำถามว่าเขาว่าคนที่เป็นยักษ์ในชาติปางก่อนกลับมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้นั้นเรียนคาถาอคมอะไรก็ศักดิธิ์ไปทุกอย่างเป็นความจริงแค่ไหนครับผม หลวงปู่ลุกขึ้นนั่งฉับไวแล้วตอบว่าผมไม่เคยได้สนใจเรื่องอย่างนี้เลยท่านเจ้าคุณเคยภาวนาถึงตรงนี้ไหมทาสิตูประบาทคือกิริยาที่จิตยิ้มเองโดยปราศจากเจตนาที่จะยิ้มเกิดในจิตของเ่าพระอริยะเจ้าเท่านั้นไม่มีในสามัญชนเพราะพ้นเหตุปัจจัยแห่งการปรุงแต่งแล้วเป็นอิสระด้วยตัวมันเองเรื่องแค่ศีลห้าก็ไม่มี พ้ามหาเถร่าผู้ใหญ่แต่ละรูปนั้นย่อมจะมีลูกศิษย์เป็นจำนวนมากทั้งเครือหัดและบรรพชิตบรรดาศิษย์เหล่านั้นจึงมีทั้งดีและเลวโดวยเฉพาะศิษย์ฝ่ายพระองค์ที่ดีก็มีถมเถไปองค์ที่เลวก็พอมีปะปนอยู่บ้างเช่นมีพระผู้ใกล้ชิดองค์หนึ่งชอบถือวิสาสะจนเกินควรคือชอบหยิบเอาเข้าของบางอย่างที่ยังไม่ได้รับอนุญาต มีผู้บอกหลวงปู่ให้ทราบแต่หลวงปู่ก็ชอบวางเฉย อ, อยู่แล้วครั้งหนึ่งท่านต้องการใช้ของอันนั้นจึงใช้ให้พระอีกองค์หนึ่งไปถามหาแต่ถูกปฏิเสธว่าเขาไม่ได้เอาไปพระองค์นั้นจึงกลับมาบอกหลวงปู่ว่าเขาปฏิเสธไม่ได้เอาไปหลวงปู่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่พูดออกมานิดหนึ่งว่าพระบางองค์มัวแต่ตั้งใจรักษาศีล2อ จนลืมรักษาศีลห้าเรื่องไม่เคยเห็นหวั่นไหวในเหตุการณ์อะไรเวลาสี่ทุ่มผ่านไปแล้วเห็นหลวงปู่ยังนั่งพักผ่อนอยู่ตามสบายจึงเข้าไปกราบเรียนว่าหลวงปู่ครับหลวงปู่ขาวมรณาภาพเสียแล้วหลวงปู่แทนที่จะถามว่าด้วยเหตุใดเมื่อไหร่ก็ไม่ถามกลับพูดต่อไปเลยว่าเออ ท่านอาจา ร, รย์เขาก็หมดภาระการแบกหามสังขารชัทีพบกันเมื่อสีปีที่ผ่านมาเห็นลําบากสังขารต้องให้คนอื่นช่วยเหลืออยู่เสมอเราไม่มีวิบากของสังขารเรื่องวิบากของสังขารนี้แม้จะเป็นพระริยาเจ้าชั้นไหนก็ต้องต่อสู้จนกว่าจะขาดจากกันได้ไม่เกี่ยวข้องกันอีกแต่ตามปกติสภาวะของจิตนั้นมันก็ยังอยู่กับสิ่งเหล่านี้เอง เพียงแต่จิตที่ฝึกดีแล้วเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นย่อมละและระงับได้เร็วไม่กังวลไม่ยึดถือหมดภาระเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นมันก็แค่นั้นเองเรื่องผู้ที่เข้าใจธรรมะได้ถูกต้องหายากเมื่อไฟไหม้จังหวัดสุรินทร์ครั้งใหญ่ได้ผ่านไปแล้วผลคือความทุกข์ยากสูญเสียสิ้นเนื้อประดาตัวและเสียใจอาลัยอาวรณ์ในทรัพย์สิน ถึงขั้นเสียสติไปก็หลายรายวนเวียนมาลำเลืกให้หลวงปู่ฟังว่าอุตส่าห์ทาบุญเข้าวัดปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายทำไมบุญกุศลจึงไม่ช่วยทำไมธรรมะจึงไม่ช่วยคุ้มครองไฟไหม้บ้านวอดวายหมดแล้วเขาเหล่านั้นเลือกเข้าวัดทำบุญไปหลายรายเพราะธรรมะไม่ช่วยเขาให้พ้นจากไฟไหม้บ้านหลวงปู่ว่า ไฟมันก็ทําตามหน้าที่ของมันธรรมะไม่ได้ช่วยใครในลักษณะนั้นหมายความว่าความอันตรธานความวิบัติความเสื่อมสลายความพัดพรากจากกันสิ่งเหล่านี้มันมีประจําโลกอยู่แล้วทีนี้ผู้มีธรรมะผู้ปฏิบัติธรรมะเมื่อประสบกับภาวะเช่นั้นแล้วจะวางใจอย่างไรจึงไม่เป็นทุกข์อย่างนี้ตัางหา ไม่ใช่ธรรมะช่วยไม่ให้แก่ไม่ให้ตายไม่ให้หิวไม่ให้ไฟไหม้ไม่ใช่อย่างนั้นเรื่องต้องปฏิบัติจึงหมดความสงสัยเมื่อมีผู้ถามถึงการตายการเกิดใหม่หรือถามถึงชาติหน้าชาติหลังลุงปูไม่เคยสนใจที่จะตอบหรือมีผู้กล่าวค้านว่าเชื่อหรือไม่เชื่อนรกสวรรค์มีจริงหรือไม่จริงประการใด หลวงปู่ไม่เคยค้นคว้าหาเหตุผลเพื่อจะเอาค้านใครหรือไม่เคยหาหลักฐานเพื่อยืนยันเพื่อให้ใครยอมจำนนแต่ประการใดท่านกลับแนะนำว่าผู้ปฏิบัติที่แท้จริงนั้นไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงชาติหน้าชาติหลังหรือนรกสวรรค์อะไรก็ได้ให้ตั้งใจปฏิบัติให้ตรงศีลสมาธิปัญญาอย่างแน่วแน่ก็พอถ้าสวรรค์มีจริงถึง16ชั้นตามตารา ผู้ปฏิบัติดีแล้วก็ย่อมได้เลื่อนฐานะของตนเองโดยลำดับหรือถ้าสวรรค์นิพพานไม่มีเลยผู้ปฏิบัติดีแล้วในขณะนี้ก็ย่อมไม่ไร้ประโยชน์ย่อมอยู่เป็นสุขเป็นมนุษย์ชั้นเลิศการฟังจากคนอื่นการค้นคว้าจากตำรานั้นไม่อาจแก้ความสงสัยได้ต้องเพียรปฏิบัติทำวิปัสสนาญาณให้แจ้งความสงสัยก็หมดไปเองโดยสิ้นเชิงเรื่อง เขาต้องการอย่างนั้นเองแม้จะมีคนเป็นกลุ่มอยากฟังความคิดเห็นของหลวงปู่เรื่องเวียนไหวตายเกิดยกบุคคลมาอ้างว่าท่านผู้นั้นผู้นี้สามารถระลึกชาติย้อนหลังได้หลายชาติว่าตนเคยเกิดเป็นอะไรมาบ้างและใครเคยเป็นแม่เป็นญาติกันบ้างหลวงปู่ว่าเราไม่เคยสนใจเรื่องอย่างนี้แค่อุปจารสมาธิก็เป็นได้แล้ว ทุกอย่างมันออกไปจากจิตทั้งหมดอยากรู้อยากเห็นอะไรจิตมันบันดาลให้รู้ให้เห็นได้ทั้งนั้นและรู้ได้เร็วเสียด้วยหากพอใจเพียงแค่นี้ผลดีที่ได้ก็คือทำให้กลัวการเวียนว่ายตายเกิดในภพที่ตกตำ่ำแล้วก็ตั้งใจทำดีบริจาคทานรักษาศีลแล้วก็ไม่เบียดเบียนกันพากัรกระยิมยิ่มย่องในผลบุญของตนส่วนการที่จะขจัดกิเลส เพื่อทำลายอาวิชชาตั้นหาอุปาทานเข้าถึงความพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงนั้นเป็นอีกอย่งางหนึ่งตังหากเรื่องแปลกดีหลังจากงานเปิดพิธธพรรธิธภัณฑ์ท่านอาจารย์มั่นแล้วหลวงปู่เดินทางต่อไปเพื่อเยี่ยมท่านอาจารย์ฟั้นที่ถ้ำขามสมัยนั้นรถใหญ่ไปได้แค่เชิงเขาหลวงปู่ต้องปีนเขาจากที่ไกลด้วยความเหนื่อยยากอย่างยิ่ง ท่านต้องหยุดพักเหนื่อยหอบเป็นระยะหลายครั้งอาตมาทุกข์ใจมากที่มีส่วนทําให้หลวงปู่ต้องทรมานสังขารถึงปานนั้นในที่สุดเมื่อไปถึงศาลาใหญ่บนยอดถ้าขามแล้วท่านอาจารย์ฟั่นกราบหลวงปู่เสร็จท่านอาจารย์เทศขึ้นไปถึงพอดีเมื่อเห็นพระเถรละสาคัญทั้งสามรูปไปได้พบกันโดยบังเอิญเช่นนี้และท่านสนทนาวิสาสะกันด้วยบรรยากาศที่สงบเยือกเย็น ยิ้มย้มจ่สใสเช่นนั้นความทุกข์หายไปหมดความเปลื้มปิติก็เข้ามาแทนที่ท่านอาจารย์ฟั่นกล่าวแสดงความยินดีกับหลวงปู่ว่าท่านอาจารย์สุขภาพแข็งแรงดีแท้อายุปูนนี้แล้วยังสามารถขึ้นถ้ำขามได้หลวงปู่กล่าวว่าก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไรหรอกผมตรีตรองดูแล้วเห็นว่าไม่มีวิบาทของสังขาร เมื่ออาศัยไม่ได้ปล่อยทิ้งไปเลยเท่านั้นแหละเรื่องยิ่งแปลกอีกไม่ต้องสงสัยว่าญาติโยมที่นั่งห้อมล้อมจานวนมากนั้นจะตื่นเต้นดีใจขนาดไหนที่เห็นพระเถระสาคัญนั่งอยู่ด้วยกันโดยบังเอิญคือหลวงพูดูลหลวงปู่ฟัน้นหลวงปู่เทศโอกาสเช่นนี้หาได้ง่ายที่ไหนตากล้องจากโซินสองคนตั้งหน้าถ่ายรูปเอาอย่างเต็มที่ขากับ บนรถบัสใหญ่นั่นเองช่างถ่ายรูปเห็นว่าทุกคนกระหายที่จะได้รูปเขาจึงพูดว่าจะขยายส2บสองนิ้วจำหน่ายเอาเงินบมรุงวัดป่าจอมพระอาตมาคิดแต่ในใจว่าการเอารูปครูบาอาจารย์ไปตีราคาจำหน่ายเช่นนี้ดูไม่ค่อยงามเท่าไหร่นักแต่เขาก็สั่งจองกันเกือบทุกคนเมื่อช่างเอาฟิล์มไปล้างแล้วปราปวว่า ฟิล์มที่อุตส่าห์ถ่ายไม่ต่มกว่า20สครั้งนั้นมีลักษณะใสสะอาดเหมือนหนึ่งท้องฟ้าที่ปราศจากหมอกเมฆฉะนั้นความหวังที่จะได้รูปก็สิ้นสุดลงโดยสิ้นเชิงยิ่งกว่านั้นการพบกันของพระเถระสำคัญทั้งสท่านนั้นเป็นการพบกันครั้งสุดท้ายแล้วเรื่องไม่มีนิทานสาทกอยู่ใกล้ชิดหลวงปู่ตลอดระยะเวลายาวนาน คำสอนของท่านไม่เคยมีนิทานสาทกหรือนิทานสนุกอะไรที่หลวงปู่ยกมาบรรยายให้ฟังสนุกๆเลยไม่ว่าชาดกหรือเรื่องประกอบในปัจจุบันคำสอนของท่านล้วนแต่เป็นสัจธรรมขั้นปรมติหรือไม่ก็เป็นคำจำกัดความอย่างกระทานรัฐชนิดระมัดระวังหรือคล้ายประหยัดคำพูดอย่างยิ่งแม้แต่การสอนพิธีกรรมหรือาศาสนพิธี และการทำบุญบริจาคทานอะไรในระดับศิลธรรมหลวงปู่ทำแบบปล่อยวางหมดส่วนมากหลวงปู่กล่าวว่าเรื่องพิธีกรรมหรือบุญยะกิริยาวัตถุต่างๆทั้งหลายก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยังให้เกิดกุศลได้อยู่หากแต่ว่าสำหรับนักปฏิบัติแล้วอาจถือได้ว่าเป็นไปเพื่อกุศลเพียงนิดหน่อยเท่านั้นเองเรื่องปกตินิสัยประจาตัวของหลวงปู่ ทางกายมีร่างกายแข็งแรงกระชับกระเฉงว่องไวสมสัดส่วนสะอาดปราศจากกลิ่นตัวมีอาพาธน้อยท่านจะสงน้ำอุ่นเพียงวันละครั้งเท่านั้นทางวาจาเสียงใหญ่แต่พูดเบาพูดน้อยพูดสั้นพูดจริงพูดตรงปราศจากมารยาทางคำพูดคือไม่พูดเรียบเคียงไม่พูดโอไม่พูดปลอบโยนไม่พูดประชด ไม่พูดนินทาไม่พูดขอร้องขออภัยไม่พูดขอโทษไม่พูดถึงความฝันไม่พูดเล่านิทานชาดกหรือนิทานปรำปราเป็นต้นทางใจมีสัจจะตั้งใจทำสิ่งใดแล้วทำจนสำเร็จมีเมตตากรุณาเป็นประจำสงบเสงี่ยมเยือกเย็นอดทนไม่เคยมีอาการกระวนกระวายวู่วามไม่แสดงอาการอึอดอดัดหงุดหงิดหรือราคาญ ไม่สแสวงหาของหรือสั่งสมหรืออะไรอวร์กับของที่สูญหายไม่ประมาทรุ่งเรืองด้วยสติสัมปชัญญะและเบิกบานอยู่เสมอเป็นอยู่โดยปราศจากทุกข์ไม่หวั่นไหวไปตามเหตุการณ์ไม่ถูกภาวะอื่นครอบงำท่านสอนอยู่เสมอว่าให้ทำความเข้าใจกับสภาวะธรรมอย่างชัดแจ้งว่าเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงสลายไปยาทุกโสเพราะสภาวะนั้นเป็นเหตุ มีเวทนาหนักแต่ไม่หนักด้วยเวทนาหลวงปู่อาพาธหนักอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาเป็นวันที่17ของการอยู่โรงพยาบาลคืนนั้นหลวงปู่มีอาการอ่อนเพลียอย่างมากถึงต้องให้ออกซิเจนช่วยให้ใจโดยตลอดเวลาดึกมากแล้วคือ6กทุ่มกว่าท่านอาจารย์ยันตระพร้อมด้วยบริวารหลายท่านเข้าไปขอกราบเยี่ยมหลวงปู่เห็นเป็นกรณีพิเศษ จึงให้ท่านเขาไปกราบเยี่ยงได้หลวงปู่นอนตะแคงขวาหลับตาตลอดเมื่อคณะของท่านอาจารย์ยันตระกราบนมสัส ก, การแล้วท่านอาจารย์ยันตรขยับก้มไปชิดหูหลวงปู่แล้วถามว่าหลวงปู่ยังมีเวทนาอยู่หรือหลวงปู่ตอบว่าเวทนากับร่างกายนั้นมันมีอยู่ตามธรรมชาติของมันแต่ไม่ได้เสวยเวทนานั้นเลยเรื่อง เดินทางลับที่ปลอดภัยเมื่อวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2526ก่อนที่หลวงปู่จะกลับจากโรงพยาบาลจูลาได้ชักชวนกันทำบุญถวายสังฆทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่บรรพชนที่สร้างโรงพยาบาลที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อพิธีถวายสังฆทานผ่านไปแล้วมีนายแพทย์และนางพยาบาลจานวนหนึ่งเข้าไปกราบนมัส ก, การหลวงปู่ แสดงความดีใจที่หลวงปู่หายจากอาพาธครั้งนี้พร้อมทั้งกล่าวพิยะวาจาว่าหลวงปู่มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงดีหน้าตาสดใสเหมือนกับไม่ได้ผ่านการอาพาธมาคงจะเป็นผลที่จากหลวงปู่มีภาวนาสมาธิจิต ด, ดีพวกกระผมมีเวลาน้อยหาโอกาสเพียนภาวนาสมาธิได้ยากมีวิธีใดบ้างที่จะปฏิบัติได้ไง่ายๆหรือโดยย่อที่สุด หลวงปู่ตอบว่ามีเวลาเมื่อไรให้ปฏิบัติเมื่อนั้นการฝึกจิตการพิจารณาจิตเป็นวิธีรัดที่สุดเรื่องทั้งหมดอยู่ที่ความประพฤติตลอดชีวิตของหลวงปู่ท่านไม่เคยยอมรับกับการถือเลิก ง, งามยามดีอะไรเลยแม้จะถูกถามหรือถูกขอให้บอกเพียงว่าจะบวชวันไหนจะศึกวันไหนหรือวันเดือนปีไหนดีเสียอย่างไร หลวงปู่ก็ไม่เคยเผือเอออวยด้วยมักจะพูดว่าวันไหนเดือนไหนก็ดีเท่านั้นแหละคือถ้ามีผู้ขอเช่นั้นท่านมักให้เขาหาเอาเองหรือมักบอกว่าวันไหนก็ได้ถ้าสะดวกดีแล้วเป็นเลิกดีทั้งหมดหลวงปู่สรุปลงว่าทุกอย่างรวมอยู่ที่ความประพฤติคือเลิกดีเลิกร้ายโชคดีโชคร้ายเรื่องเคราะห์กรรมบาปบุญอะไรทั้งหมดนี้ ล้วนออกไปจากความระพฤษของมนุษย์ทั้งนั้นเรื่องสิ้นชาติขาดพบพระมหาเถระผู้ใหญ่ฝ่ายวิปัสนากรรมฐานสนธนาธรรมะขั้นปรมัตา์กับหลวงปู่หลายข้อแล้วลงท้ายด้วยคำถามว่าพระเถระนักปฏิบัติบางท่านมีปฏิปทาดีน่าเชื่อถือแม้พระ้วยกันก็ยอมรับว่าท่านเป็นผู้มั่นคงในพระศาสนาแต่ในที่สุดก็ไปไม่รอด ถึงขั้นต้องศึกหาลาเพศไปก็มีหรือไม่ก็ทําไข้เข๋ประพฤติตัวมัวหมองอยู่ในพระธรรมวินัยก็มีจึงไม่ทราบว่าจะปฏิบัติถึงขั้นไหนอีกจึงจะตัดวัตรตะรสงสารให้สิ้นพบสิ้นชาติได้หลวงปู่กล่าวว่าการสํารวมสาเนียกในพระวินัยอย่างเคร่งครัดและสมาทานถือทุรงนนั้นเป็นปฏิปทาที่ดีงามอย่างยิ่งน่าเลื่อมใส แต่ถ้าเจริญจิตไม่ถึงอธิจิตอธิปัญญาแล้วย่อมเสื่อมลงได้เสมอเพราะยังไม่ถึงโลกรุตระภูมิที่จริงพระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านไม่ได้รู้อะไรมากมายเลยเพียงแต่เจริญจิตให้รู้แจ้งในขันห้าแทงตลอดในปฏิจสมุปบาทหยุดการปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาจิตมันก็จบแค่นี้เหลือแต่บริสุทธิ์สะอาดสว่างว่าง มหาสุญญาตาว่างมหาศาลอาภาธครั้งสุดท้ายหลวงปู่กลับจะรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลในครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าท่านหายจากโรคอย่างเด็ดขาดแต่ประการใดหากแต่ว่าท่านอาศัยความอดทนอย่างยิ่งและดำรงอยู่ต่อมาได้เพียงแปดเดือนเท่านั้นในโอกาสที่เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านคือครบรอบ96ปี ได้จัดงานทำบุญฉลองเป็นกรณีพิเศษหลวงปู่เริ่มมีอาการผิดปกติคืออ่อนเพลียอย่างมากกระสับกระส่ายและจับไข้เป็นครั้งคราวอาตมากราบเรียนท่านว่าขอนำท่านไปโรงพยาบาลจุฬาอีกครั้งท่านบอกว่าไม่ต้องไปและพูดสำทับว่าห้ามเอาท่านไปเพราะถึงไปก็ไม่หายเรียนท่านว่าเมื่อก่อนหลวงปู่เป็นหนักกว่านี้ยังหาย ครั้งนี้หลวงปู่เป็นไม่มากต้องหายแน่ท่านว่านั่นมันคราวก่อนนี่มันไม่ใช่คราวก่อนลักษณะการเข้าสู่มรณภาพวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2526ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงผ่านไปแล้วอาการป่วยก็ทรงทรงอยู่แต่สีผิวพรรณวันนะสดใสเปล่งปลั่งอย่างผิดปกติทั้งพระและเครือขัดก็มาร่วม ง, งานจำนวนมาก ทั้งพระบ้านและพระป่าเวลา15นาฬิกาพระเถระฝ่ายป่าได้เข้าไปถวายสการะที่กุติลุงปู่จำนวนมากท่านลุกขึ้นสนทนาธรรมะและแนะแนวข้อปฏิบัติธรรมให้ท่านสานุสิทธิ์เหล่านั้นฟังด้วยถ้อยคำที่ชัดเจนและลำดับกระแสธรรมข้อปฏิบัติไปตลอดสายเหมือนหนึ่งแก้ข้อข้องใจให้ท่านเหล่านั้นฟังเป็นการทบทวนข้อปฏิบัติที่ท่านเคยสอนมา เวลาดึกใกล้สี่ทุ่มเข้าไปแล้วหลวงปู่จึงให้พาท่านออกมาข้างนอกกุติแล้วใช้สายตามองไปรอบๆ บ, บริเวณวัดอย่างละเอียดอ่อนซึ่งหามีใครทราบไม่ว่านั่นเป็นการมองดูอะไรๆรครั้งสุดท้ายแล้วทบทวนธรรมานุสติครั้งสุดท้ายเวลาสี่ทุ่มผ่านไปหลวงปู่ให้พาท่านเข้าห้องนอนเหมือนเดิมท่านอยู่ในริยาบทนอนหงาย หนุนหมอนสูงให้พระที่อยู่ในห้อง 8-9 ้ารูปสวดมนต์เจ็ดตำนานย่อให้ฟังจบแล้วสั่งให้สวดสติสำโพธชงสจบแล้วให้สวดปฏิจจสมุญบาทอีกสาจบหลังจากนั้นหลวงปู่ให้สวดมหาสติปัฏฐานสูตรให้ฟังพระในที่นั้นไม่มีองค์ไหนสวดได้สักองค์ท่านบอกให้เปิดหนังสือสวดเผอิญห น, นังสือก็ไม่มีอีกเดชบุญที่ท่านอาจารย์ภูณสศักด ซึ่งอยู่เฝ้ารักษาพยาบาลหลวงปู่ตลอดมามีหนังสือฉบับหลวงติดมาด้วยจึงหยิบมาเปิดหาพระสูตรนั้นโมพิกหาอยู่เป็นเวลานานหลวงปู่สั่งว่าเอามานี่ท่านหยิบออกมาเปิดเองโดยไม่ต้องดูแล้วบอกว่าสวน ต, ตรงนี้ทำให้พระทุกองค์แปลกใจมากเพราะตรงกับมหาสติปัฏฐานสูตรพอดีคือหน้าร้อยเจ็ดสิบสองพระสูตรนี้ยาวมาก ใช้เวลาสวดให้หลวงปู่ฟังถึงสองชั่วโมงกว่าจึงจบท่านฟังโดยอาการอันสงบปัดฉิมาพดของหลวงปู่เมื่อหลวงปู่ฟังพระสวดมหาสติปัฏฐานจบลงแล้วสักครู่หนึ่งต่อมาท่านกล่าวปรารบถึงลักษณะการที่พระพุทธเจ้าเข้าสู่ปรินิพานตั้งแต่เริ่มต้นมาจนตลอดซึ่งจะขอจับเอาใจความตอนท้ายไว้ในที่นี้ด้วยพระพุทธเจ้า โรงคไม่ได้เข้าสู่นิพพานในฌานสมาบัติอะไรที่ไหนหรอกเมื่อพระองค์ออกจากจตุทชาญแล้วจิตขันหรือนามขันก็ดับพร้อมไม่มีอะไรเหลือนั่นคือพรงดับเวทนาขันในภาวะจิตตื่นหรือวิถีจิตอันปกติของมนุษย์ครบพร้อมทั้งสติและสัมปชัญญะไม่ถูกภาวะอื่นใดมาครอบงำอำพรางให้หลงหลใดใดทั้งสิ้น เป็นภาวะแห่งตนเองอย่างสมบูรณ์ภาวะอันนั้นจะเรียกว่ามหาสุญญตาหรือจักรวาลเดิมหรือเรียกว่าพระนิพานอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เราปฏิบัติมาก็เพื่อเข้าถึงภาวะอันนั้นเองวรจีสังขารคือวาจาของหลวงปู่ก็สิ้นสุดลงเพียงแค่นี้แม้การเวลาก็เหมาะสมพระพุทธองค์ ท่านทรงบำเพ็ญเพียรค้นคว้าสัจธรรมตลอดเวลาถึงหปีครั้นได้ตรัสรู้ก็ตรัสรู้เมื่อเวลาใกล้รุ่งคือตีสี่ร่วมไปแล้วครั้นตรัสรู้แล้วทรงบำเพ็ญพุทธกิจตลอด45ปีก็ใช้เวลาตีสกว่านี้แผ่พยานสอดส่องดูหมูสัตว์ผู้ควรได้รับการเสด็จไปโปรดถึงคราวพระองค์เสด็จดับขันทรปรินิพานก็เป็นเวลาเดียวกันนั่นอีก อันสังขารธรรมหนึ่งซึ่งอุบัติขึ้นเมื่อวันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2431ณบ้านประสาทอำเภอเมืองสุรินทร์ได้เจริญเติบโตและรุ่งเรืองมาโดยลำดับการดำเนินชีวิตของตนอย่างถูกต้องดีงามอยู่ภายใต้ผ้ากษาาัตริ์จนตลอดอายุไขประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีงามสมเป็นเนื้อนาบุญอันเอกของโลก ได้บำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นอย่างสมบูรณ์ตลอดมาตราบเท่าถึงวันที่30ตุลาคมพุทธศักราช2526ห้ลวงปู่ก็ปล่อยวางสังขารขันให้ดับลงแล้วเมื่อเวลาสี่นาฬิกา13นาทีเหมือนอย่างนั้นนั่นเองสิ่งที่น่าอัศจรรย์ก็คือวันนั้นเป็นวันที่คณะสิทธิ์ทั้งหลายทั้งบรรพชิตและครืัสทั้งฝ่ายคามวาสีและอรั ญ, ญวาสี มาประชุมพร้อมเพียงกันทำบุญฉลองอายุครบรอบ96ปีคือ8รอบถวายท่านเป็นกรณีพิเศษซึ่งเท่ากับเตรียมพร้อมอยู่แล้วผู้ไม่มีวิบากของสังขารเพิ่งจะเข้าใจได้ตอนนี้เองที่หลวงปู่เคยพูดว่าท่านไม่มีวิบากของสังขารเพราะแม้ท่านมีอายุผ่าน96ปีล่วงแล้วก็นจริงแต่ร่างกายของท่านแข็งแรงว่องไวสะอาดสงบเยือกเย็น รุ่งเรืองด้วยสติสัมปชัญญะอย่างสมบูรณ์ไม่หลงลืมเผอเรอใดใดทั้งสิ้นเมื่อถึงคราวดับสังขารก็ดับลงอย่างสงบไม่มีร่องรอยในการลำบากขันทรมานตนไม่ให้ผู้อยู่ใกล้ชิดต้องลำบากกายใจในการรักษาพยาบาลไม่เปลืองหมอไม่เปลืองยาไม่เปลืองเวลาของท่านผู้ใดท่ามกลางความสงบเงียบของเวลาตีสกว่าปราศจากผู้คนและยวดยานพาหนะทุกชนิด แม้ต้นไม้ใบยญ้าก็สงบเงียบอากาศเย็นเยียบพร้อมกับมีละอองฝนลงมาโปรยปลายคล้ายหิมะลงหลวงปู่ผู้วิสุทธิสงฆ์ก็ปรุงเสียแล้วซึ่งสังขารธรรมคงทิ้งไว้แต่พระคุณทั้งหลายให้รำลึกถึงและอะไรอวรอย่างมีรู้แล้วหลักธรรมของหลวงปู่ดูลอตุโลจิตคิดจิตเกิดจิตไม่คิดจิตไม่เกิดจิตคิด จิตถูกทำลายจิตไม่คิดจิตไม่ถูกทำลายจิตปรุงแต่งจิตถูกทำลายจิตไม่ปรุงแต่งจิตไม่ถูกทำลายจิตแสวงหาจิตถูกทำลายจิตไม่แสวงหาจิตไม่ถูกทำลายจิตปรารถนาจิตถูกทำลายจิตไม่มีความกำหนัดจิตไม่ถูกทำลายทิ้งหมดรู้หมดทิ้งหมดได้หมดไม่ทิ้งเลยไม่รู้เลย ไม่ทิ้งเลยไม่ได้เลยทรงจิตเข้ามรคจิตแล้วจิตพิจารณาจิตรู้ธรรมในจิตแล้วถนองมรคจิตจงทําให้ชำนีชานาญจิตอบรมจิตรู้ธรรมภายในจิตแล้วอบรมธรรมในธรรมภายในจิตผู้รู้ไม่คิดผู้คิดยังไม่รู้รู้แล้วไม่ต้องคิดก็เกิดปัญญาเอาธรรมมาอบรมธรรมรู้ธรรมในธรรม เอาธรรมชาติมาปฏิบัติธรรมชาติให้รู้ธรรมชาติในธรรมชาติเอาธาตุมาปฏิบัติธาตุให้รู้ธาตุในธาตุเอาธรรมอบรมในธรรมเอาจิตอบรมจิตให้รู้ธรรมภายในจิตรู้แล้วละวางปล่อยทิ้งและไม่อารยและไม่ยึดมั่นทำต่างๆทำที่เกิดขึ้นภายในจิตทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วบาปบุญเปรียบเหมือนมานยาเกิดขึ้นแล้วดับ ปล่อยทิ้งทั้งสองมีแต่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสิ้นแห่งความรู้ขูบปากเงียบอิ่มในธรรมธรรมเติมธรรมไม่มีธรรมนั่นคือธรรมอย่าปล่อยให้จิตลุงแต่งมากนักข้อสำคัญให้รู้จักจิตของเราเท่านั้นเองเพราะว่าจิตคือตัวหลักธรรมนอกจากจิตแล้วไม่มีหลักธรรมใดๆเลยภาวนามากๆแล้วจะรู้ถึงความเป็นจริง เท่านั้นเองไม่มีอะไรมากมายมีเท่านั้นเปล่าเปล่าบริสุทธิ์จบบันทึกคติธรรมและธรรมเทศนาของลูกู่ ด, ดูลอตุโรเพียงเท่านี้